วันพิเศษผสกทั้งพดไทยไทยรำลึกน้อมภูวัยผ่านเผาเทิดทิอิสเรศไอสุริยะยิ่งเทินคุณข่าฟ้าปกเกล้าเลิดล้นบารณี ไทยมีกีรติกล้องด้วยพระวิริยะกุณหะกว่าพรองปรมาพิวาทะยิ่งวิเศษสุดเลยคือแบบคนจนต้องถึงอึ้งคำสวรรค์ ทรงสรรคำอีกย้ำชัดเจนอัลอสอิสลัลเกนยิ่งสองเสริมพระอริยเยนเปลืองปราดปรีชยานพฤษพองพุทธแท้เทียนธรรมพระ คำวิเศษนี้อริยะใช่ตรัสแตวาทะแค่ถอยราชจริยวัตรประจักษ์สิทธิพิสูจน์เทินทรงกิจไว้ไม่น้อยกว่าร้อยเกินพันพระสัน พระสริดให้โลกระบือคำใหญ่ยิ่งนั้นคือทิฏฐิฟ้าเคยมีชนิดหรือในโลกที่ตรัสให้คนกล้ามักน้อยมาจนปกครองคนด้วยแบบขาดทุน ปรมัตินี้คือบุญแน่แท้ชําระกิเลตคุณใหญ่ยิ่งโลกวัดไม่ได้แม้ฉลาดด้วยปริญญาวาทะนี้กว่าพื้นปุตุชนทั้งขาดทุนทั้งจน สุขได้สละชี้อัศจรรย์คนสละชี้อัศจรรย์นคนอาริยะประหลาดแน่แต่จริงไซเพราะแท้พุทธธรรมมีหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรโดยกล่าวโดวยกระหม่อมขอเดชะหนังสือพิมพ์ คิดอะไรนะส ม, มัยจำปาแพงประพันธ์เป็นบทอศิรวาสนะที่นำเอาสุดยอดที่เป็นพระปรีชาญาณนะเป็นทุกอย่างเลยเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระปัญญาธิคุณ เป็นพระวิสุธทธิคุณที่รวมแล้วถ้าผู้คนที่เข้ า, ขาไม่ถึงตามพระปัญญาที่คุณนี้ไม่ได้จะไม่รู้จักจะไม่เข้าใจว่าท่านตรัสอะไรในนี้เนื้อหาก็บอกชัดเจนว่าก็ไม่ต้องไปอธิบายในหลายๆบท ที่เทิดทูนถวายพระพรต่างๆนานาใ น, นาพระราชจิตรีวัตรของพระองค์ทั้งหลายทั้งหมดก็เนื้อความก็ไม่ยากจะยากอยู่ตรงที่ว่าอธิบายเจาะเข้าไปถึงแก่นแท้ว่าพระองค์ทรงตรัสที่อาตมาใช้ในนี้ว่าเป็นพระคำวิเศษใช้ว่าพระคำวิเศษเป็น คำยิ่งใหญ่เป็นปรมาภิวาทะนะอภิวาทก็คือคำที่ยิ่งใหญ่ปรมาอันยิ่งใหญ่เลิศยอดซึ่งเป็นคำตรัสที่ที่ อ, อ, อัตมาว่าคำใหญ่ยิ่งนั้นคือทิฏฐิฟ้าทิฏฐิหรือทิสดี หรือหลักการใหญ่หรือรวมความรู้ความเห็นความเข้าใจไว้เป็นสูตรเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นองค์รวมของความรู้ทิฏฐิฟ้านะซึ่งยังไม่เคยมีหรอกในโลกที่ว่าจะมีใครผู้บริหารประเทศจะบอกว่าเอานโยบายนะาเอาทฤษฎีนี้นะ ทฤษฎีคนจนนี่นะบริหารประเทศหรือว่าขาดทุนของเราเอา loss is our gain เอานี่นะขาดทุนของเราคือกําไรของเรานี่นะมาบริหารประเทศมีประเทศไหนในโลกเคยมีมาก่อนตั้งแต่ไหนตแต่ไหนมาจนถึงวันนี้แต่แต่มีประวัติศาสตร์มาเนะี่ยเคยได้ยินมาบ้างไหมจะเคยได้ยินกันบ้างไหม เพราะฉะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆอัตมาภาคภูมิใจที่ได้เกิดมายุคนี้ก็มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่อัตมาเขายืนยาวอัตมาไม่ได้พูดเล่นแต่คนเข้าไม่ถึงอัตมานี่เข้าถึงแค่นี้นแสดงถึงเป็นเครื่องชี้บ่งถึงความที่พระองค์ทรงอยู่พระองค์ทรงเป็นอยู่ก็คือพระองค์ทรงเป็นโพธิสัตว์ นะอาตมาไม่ได้มเมีอาตมาไม่ได้ไปทั้งพระจริยวัตรพระองค์ตลอดเวลาตลอดตลอดมาตั้งเท่าไหร่60กว่าปีที่พระองค์ทรงงานทรงครองราชมานะ60เท่าไหร่6กปีแล้วหกนะนะนะเลยหกักเอาเเอาให้แม่นๆ เอาคลองลาด89เลยเขาราชาพิเศษ93ตอนนั้นก็ยังทรงทรงศึกษา14ตอเอา93 93มาลบก็เหลือ64 93มาลบก็เหลือ64ปีนี้57ไง <64 S 2> โอ้ี ป, ปีที่ท่าตรัสว่าจะครองราชโดยธรรมนตอนนันแหละก็ตอนนั้นแหละเ3าสามนั่นแหล ะ, ะเอาเถอะก็ตั้ง60จะเสร็จ70ปีเข้าไปแล้วก็ล่วงเข้ามาตั้ง<ม>ทศวรรษที่ห0 <ม> 70เจย่างเข้าทศวรรษที่เจทศวรรษที่เจ็แล้วซ<ม>ึ่งพระองค์ก็มีหลักฐานยืนยันทุกอย่างในพระราชจริยวัตร ส่งงานอะไรอะไรามาต่างๆนานาโอ้ผู้มองไม่เห็นก็ไม่เห็นไอเห็นก็เห็นอยู่แต่อ่านไม่ออกอมันลึกซึ้งเกินไปอ่านไม่ออกมันคลาสสิกเกินไปนมันสูงส่งมันสูงส่งเกินไปมันคลาสสิกคือมันชั้นสูงเกินไปนก็เลยยากที่จะเข้าใจอเอาเทอ จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอจัตมาก็ว่าผู้ที่เข้าใจนั่นแหละควรจะต้องมารับรูปควรจะต้องเข้ามารับพระราชดํารัดต่างๆพวกนี้สนองพระราชดํารัสให้ประสบผลให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะเมื่อกี้นี้ก็ไอ้เอมื่อกี้นี้เราเปิดช่องไอ้นันหรือเปล่าเห็นอาจารย์ยักษ์ออก พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงกันขมขเมื่อกี้ไทย PBS เอสอไม่ใช่ทองของเราเนาะไทยพีบีเอก็ออกเมื่อกี้นี่ก็อาจารย์ยักษ์พูดถึงโอ้โหเสียงดังฟังชัดนะเรื่องเกีวกัเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์ยักษ์ก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันก็ดีช่วยกันคนละไม้คนละมือน ะ, น ะ, นะเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีแบบยิ่งแบบคนจนยิ่งท่านทรง ลึกเข้าไปอีกถึงการขาดทุนของเราคือกำไรของเราเนี่ยซึ่งเป็นนัยะที่เป็นเครื่องชี้วัดหรือเป็นเครื่องชีบง้บ่งที่ชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่คุณลึกซึ้งเข้าไปถึงสุดยอดแห่งยอดแห่งอาริยะไม่ใช่แค่อัจฉริยะที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเฉลียวฉลาดเท่านั้นแต่มันมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคม ที่สุดยอดที่อาตมาใช้คาว่าความเป็นสังคมก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่ความฉลาดของคนคนเดียวแต่มันเป็นความฉลาดถ้าเผื่อว่าให้เกิดความฉลาดนั้นแก่สังคมเป็นสังคมที่มีทริสดีฟาทริสดีเนี้ยทริสดีของแบบคนจนเนี่ยที่ใช้สับจะเรียกว่าเป็นศั์ ก็ได้เป็นศัพท์ภาษาไทยๆง่ายๆจะขยายความเป็นภาษาวิชาการว่าเศรษฐกิจพอเพียงกว้ า, างขึ้นก็ได้เป็นภาษาไทยขึ้นมาเป็นศัพท์ไทยๆแบบคนจนก็ได้หรือขยายความให้ละเอียดขึ้นอีกให้ชัดขึ้นอีกว่าขาดทุนของเราคือกําไรของเราก็ได้ก็ความหมายเดียวกันหมดเลยว่าจะต้องมาเป็นผู้มักน้อยมาเป็นผู้สันโดษ เป็นผู้ติดรถลักกิเลสเห็นแก่ได้ไม่เอ า, าไปเห็นแก่ได้ไปเห็นแก่สะสมกอบโกยเป็นการแย่งการชิงการเอาเปรียบเอารัดอะไรต่างๆนานาพวกนี้ไม่ใช่คนจะต้องมีนิสัยแบบนั้นหรือมีแนวคิดเช่นนั้นมีทฤษฎีอย่างนั้นต้องมีนิทฤษฎีที่มักน้อยแบบคนจนไม่จะจะเอาเป็นคนรวยต้องคนจน คนจนก็คือคนไม่มีมากไม่เอาไว้มากคนจนนะ่ะแต่แน่นอนถ้าเผลอว่าจะบริหารแบบคนจนก็ต้องเป็นคนจนอย่างมีสุขคนจนอย่างดีอะ่ะไม่ใช่คนจนอย่างแมมมาเป็นคนจนแล้วก็ตายลำบากลำบนทุกข์ากก ย, ยากกระจอกงอกง้อยอดยากันนะ โ oh, อย้ยางงั้นมันก็ไม่ใช่ที่ <Okay. S 1> ย่างงั้นก็น่าจะมีปฏิภานว่าเอ๊ะท่านจะให้บริหารให้เป็นคนเป็นแบบนั้นได้ไงถ้าประเทศชาติสังคมเป็นแบบนั้นมันก็มารรยายจักสิจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไ่าถ้าจะไปเอาทฤษสีอย่างนี้มาใช้กันแล้วให้คนเป็นเช่นนี้เป็นคนจนแบบนี้มันจะต้องเป็นคนจนมหาสัจจ์ mm. เป็นคนจนชนิดพิเศษ เป็นคนจนที่มีสุขเป็นคนจนที่มีสมรรถนะสมรรถภาพเป็นคนจนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อโลกต่อมวลมนุษยชาติอันนี้แหละเป็นเรื่องของอริยะบุคคลของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นอริยะบุคคลแบบของพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้ที่จะเป็นอารยะบุคคลของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เป็นโสดาบันขึ้นไปเริ่มต้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจึงไม่ได้หมายความถึงนักบวชที่เป็นพระเท่านั้นในสังคมการบริหารประเทศจะเอาแต่นักบวชมาตกลงทฤษฎีนี้ใช้ได้ประโยชน์เป็นผลแต่นักบวชฆรวาสไม่ได้ฆรวาสเป็นมวลใหญ่ของประเทศ ถ้าไม่ได้มันจะมีผลอะไรมากแต่เอาเถอะถ้าวนันจริงนะนัดบวชแล้วภิกษุนะได้ผลอันนี้นะมันจะถึงประชาชนแน่นอนคุณธรรมต่างๆก็จะถ่ายเทถ่ายทอดมาเป็นคุณธรรมให้แกพุทธศาสนิกสิเพราะภิกษุเป็นอาริยบุคคล ภิกษุเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคาอรหันก็ต้องถ่ายทอดมาเพราะสังคมก็จะต้องเป็นอาริยบุคคลเมื่อประชาชนสังคมเป็นอาริยบุคคลประเทศก็เป็นอาริยประเทศเป็นสังคมอาริยะแน่นอนแล้วอาริยะอย่างนี้แหละที่ท่านตรัสของท่านนะบอกว่าก้าวหนะ้า เราไม่เอาก้าวหน้าอย่างนั้นอ่ะอย่างที่เขาเป็นปนกันแย่งชิงความเป็นความก้าวหน้าแบบนั้น่ะความก้าวหน้าความเจริญของโลกของสังคมแบบนั้นถ่ะานตรัสชัดว่าไอ้ก้าวหน้าอย่างนั้นมันมีแต่ถอยหลังแล้วถอยหลังยังน่ากลัวด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นอัตมาพูดซ้ำพูดจากพูดย้ำพูดไปแล้วน่าเบือ่อ แต่ถ้าเบื่อสิ่งที่ไม่ควรเบื่อเนี่ยคนนั้นฉลาดน้อยคนที่เบื่อสิ่งที่มันน่าจะชื่นใจทราบซึ่งพูดถึงเมื่อไรก็ทราบซึ่งเมือ น, นั้นอะไรเงี้ยมันสิ่งที่ไม่น่าเบื่อแต่ไปน่าเบื่อสิ่งที่น่าเบื่อแม้แต่คำในไรภาษาคุณก็ไม่ชอบใจอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เป็นคนที่ไม่มีปัญญา เข้าใจสิ่งที่ประเสริฐ ด, ดีงามอะไรไม่ได้ไม่ถูกต้องอวันนี้รายการวันนี้อาตมา ย, ยังไม่ได้เกริ่นว่าตอนท้ายรายการก็จะตอบประเด็นนะจะตอบประเด็นจากทั้งบ้านที่จะส่งประเด็นเข้ามานะประเด็นที่จะส่งเข้ามานั้นมีโทรศัพท์สองหมายเลขนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะมีสองหมายเลขที่ประจำเลยนะคนที่ เก่าเขาจะไม่ต้องจํายากเพราะว่าจะมีประจําเลยแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปวันนี้ก็เปลี่ยนจากที่เคยมี2อหมายเลขแต่ว่าเปลี่ยนไปจากเก่าเกาใครจะจดก็เตรียมกระดาษไว้นะหมายเลขอันที่1 น, นะเคยใช้มาบ้างแล้วเคยกล่าวไปถึงไปแล้วคือ08 2 4์แปดสอนะอันนั้นเคย ใช้ไปบ้างแล้วเคยกล่าวถึงนะ0824430271นั่นทีนี้วันนี้จะมีเพิ่มอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0859492980 0859492980นะ นี่คือโทรศัพท์สองหมายเลขอ่ะเดี๋ยวก็คงจะขึ้นที่หน้าจอสำหรับผู้ที่ดูที่จอตอนนี้ก็ไม่ได้ออกทางวิทยุก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนักสำหรับผู้ที่ดูโทรทัศน์ก็คงจะได้เห็นเบอร์นี้อยู่ที่หน้าจอเพราะวิทยุมันไม่เห็นตัวหนังสือจะต้องอ่านเบอร์อ่านเสียงไปให้ฟังแต่ตอนนี้วิทยุท่านคอสชอก็ยังไม่ยอมไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูแต่ทางโทรทัศน์ไปก่อนนะ อาที น, นี้มาเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เมื่อได้พูดถึงเรื่องสาระอันยิ่งใหญ่ที่บอกว่าเป็นทฤษฎีพิเศษเาจมาจะขอเรียกคำว่าทฤษฎีพิเศษในการบริหารปกครองในท่านตาราเราไปครองบ้านเมืองก็มีคนมาทูลถามว่าจะบริหารบ้านเมืองแบบไหนเนี่ยท่านก็ตาราว่าต้องบริหารแบบคนจนเนี่ย ซึ่งมันชัดเจนท่านตรัสไว้ก็ชัดเจนไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล็กๆมันมันเป็นเรื่องใหญ่นะบริหารแบบคนจนนะท่านก็ทรงขยายความไปบ้างแต่ก็คงเข้าใจยากอาตมาก็จึงมาพยายามขยายความให้มากขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งยกตัวอย่างตัวอย่างไอ้ตัวอย่างก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็ต้องมายกตัวอย่างมวลชนที่เกิดผลเกิดอะไรได้อาตมาก็ต้องมายกชาวโศกก็ไปเป็นตัวอย่างประกอบเป็นต้นเป็นตัวอย่างคนก็ยิ่งมันไส้หรือคนก็ยิ่งว่าอันนี้มันโฆษณาตัวเองมันอะไรก็ต่างๆก็ก็กว่าไปน่ใส่ความอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร ข, ขออภัยผู้ที่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามองไปในแง่ยังเป็นความดีงามไม่ได้มองไปในแง่ที่ไม่ดีงาม อาตมาก็ต้องขออภัยต่อผู้ที่มองว่าอาตมาพูดนี้หรืออธิบายนี้ทําอะไรนี้เป็นการอวดตัวอวดตนโฆษณาตัวเองออหาเสียงอะไรก็ตามแต่เนอะก็มองไปในแง่นั้นก็ต้องขออภัยว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นมีความคิดอย่างจริงใจที่จะนําสิ่งประเสริฐสิ่งวิเศษอันนี้นะ เพราะคําตรัสของในหลวงของเราเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยนะอัตมาก็พูดไปแล้วว่าเคยได้ยินมั่งมั่งไหมล่ะแต่เมื่อไหร่สําหรับผู้ที่บริหารประเทศผู้ใหญ่ของประเทศนะที่ใช้ทฤษฎีหรือว่าคําพูดหลักเกณฑ์หลักการอย่างนี้เคยได้ยินกันมั่งๆๆมั่งหมล่ะอัตมาว่าจะหูหักนะอัตมาถึงใช้คําว่า แบบคนจนเนี่ยแหละต้องทึ่งอึ้งคำสวรรค์ะจะมาใช้ว่าคำสวรรค์เลยต้องทึ่งอึ้งเลยเพราะงั้นเราลองทวนคำตรัสของท่านตัตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2554 34 4ธันวาคม2 5 3 4 เราเลยบอกว่าถ้าจะแนะนำนะก็แนะนาได้นะถ้าจะแนะนำได้ต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศรวยเรามีความเราก็มีพอสมควรเรามีพอสมควรไม่จะบอกว่ารวยเราไม่ใช่ประเทศรรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะไปอยากไปเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเราถ้าเริ่มมีการบริหาร นี่เรียกชัดเจนเลยนการบริหารนะบริหารประเทศถ้ามีการบริหารเรียกที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตํารามากเกินไปทําอย่างมีสามัคคีนี่แหลนะคือเมตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะคําว่าแบบที่ไม่ติดตํารามากเกินไปเนี่ย อันนี้เป็นลูกปืนนะยิงพรวดทะลุเข้าไปถึงหัวใจคนมากมายเลยคนที่ติดตำราแล้วก็เอาตำราหลงตาราและท่านก็จัดได้แค่นี้แต่ตมาขอรับผิดชอบที่จะขยายความนะขอรับผิดชอบที่จะขยายความว่าไอ้ตำรานี่คืออะไรตำรานี่คือตำราโลกี ตำราที่เปร่าไปเรียนกันมาทั้งหลายทั้งปวงจจจากประเทศไหนก็ตามในประเทศไทยก็ตามกินความไปหมดหมายถึงตำราโลกีแต่ถ้าพระคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ไม่ได้หมายถึงตำราดังกล่าวนั้นนะอย่าไปหลงมากนะักท่านก็ไม่ได้ไปตีทิ้งอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ ก็ก็ใช้ตำราอย่างนั้นกันนะ่ะก็ขอให้พักๆเบาๆหน่อยวัราะทุกวันนี้ก็มีตนักวิชาการที่แบกตำราพวกนี้มาทั้งนั้นบริหารประเทศอยู่นะก็ลองมาสนใจตำราพระพุทธเจ้าดูสิตำราพระพุทธเจ้านี่มีทั้งเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์สมบูรณ์แบบ แบบคนจนนี่แหละเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งแบบคนจนนี่แหละเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดเยี่ยมที่สุดแบบคนจนเนี่ยแล้วมันจะยืนยันแบบคนจนคือสุดท้ายเป็นคนที่ตามหลักธรรมุนุษยเจ้าเลยแบบคนจนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทฤษฎีหลักๆของท่าน คำว่าแบบคนจนก็คือเป็นคนที่อปิจฉะเป็นคนที่มักน้อยแปลเป็นไทยกันว่ามักน้อยอัตมาก็แปลเป็นไทยอีกว่ากล้าจนผู้ที่มีอปิจฉะนี่คือคนกล้าจนหรือมักน้อยเป็นคนมักนี่คือชอบชอบในความมีน้อยๆก็คือคนมีน้อยๆคนจนๆคนไม่ต้องไปมีมากความลึกซึ้งนะจะ สามารถผลิตสามารถทาอะไรให้เกิดผลปฏิลาโภได้เยอะแต่มีไวน้น้อยน้อยก็พอนอกนั้นสัพพันี่แหละคือเศรษฐศาสตร์นอกนั้นออกแจกจ่ายเกื้อกูลสังหะเอื้อเฟ้อเจอจาต่อผู้อื่นกันผกไปอปัจจะยะคำสอนรูนจ้าชัดครบนะไม่สะสมอปัจจะยะไม่สะสม สะพัดออกไปไม่สะสมเพราะฉะนั้นจึงยืนยันหนึ่งมีเอาน้อยมักน้อยกล้าจนสองไม่สะสมสองคำนี้ยืนยันชัดๆว่าเป็นคนจนไม่สะสมและเอาไว้น้อยไม่สะสมสองคำนี้เป็นคาที่นิยามความหมายไว้ชัดเลยว่าเป็นอื่นไม่ได้แล้วคนจนอย่างนี้จะเป็นสุขหรือสุขสิ มีตัวอย่างไหมฟูดแล้วเหนีมเพราะมันต้องอ้างอิงโอ้พเราชาวโซลสุขสิมีความสุขสิจนก็มีความสุขเพราะว่าไม่ได้จนอย่างคนกระจอกจนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าเป็นคนจนที่มีอปิชฌสันตุทิปวิเวกัสังสักวิริยรัมภศีละ สมาธิปัญญาวิมุตติยานทศนะเงียนี่เป็นคําในคาถาวัตถุหมายความว่าจะพูดอะไรกันก็พูดให้มันเข้าสู่ความเป็นอย่างนี้ความเป็นคนอับปิจชัดเป็นคนมากน้อยเป็นคนสัตตุตินะเป็นคนสัตตุติเป็นคนอสังสักะเป็นคนปวิเวกะไม่ใช่ป ว, วิกไม่มีปวิวอวันนะี้อสังสัะวิริยารมภะนะสัตตุติอสังสักะวิริยารมภะ นี่ห้าคถาวัตถุหาอภิชาสัตุทิอสังสักวิริยธรมมีปวิเวกด้วยนะสันตุทิอภิชาสันตุทิปวิเวกอสังสักวิริยารรมภะแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาตสนะนี่าถาวัตถุสิหรือแม้แต่หลัก ตรวจสอบพระธรรมวินัยก็ดีก็มีอันนี้นะก็มีอันนี้อย่างตรวจธรรมวินัยเนี่ยนะวิราคะวิสังโยคะอปัจยะนะอปิชะสันติธธปวิเวกะนะแล้วก็วิริยารัมภะและก็สุภะเรียงง่ายนิหลักแปดข้อของ การตรวจสอบธรรมวินัย mm hmm. ก็มีคำว่าอภิชฉสันตุติปวิเวกะอันนี้ไม่มีคำว่ า, อ, าอสังสักขขะเท่านั้นแต่อภิอปัจ ย, ยะไม่สะสมมินนะวิริยรัมภมีตรงกันหรือในวันนาเกา้อาอิจฉสันตุตินะอภิจฉสันตุติแล้วก็สันเลขา สันเลขาทูตะปาสาธิกะไอ้ครบป่ะปะแหมอาจจะมาพูดผิดไปก่อนที่จะมีมีสุภระก่อนสุ ภ, ระ ส, ภระสุโพสะอัปิชสันตุติสันเลขาทูตะปาสาธิกะอัปัจยะวิริยารัมพะ9คำน่าเคำ คือมันมันมีคำที่ซ้ำกันมากที่สุดก็คือไอตัวคำว่ากล้าจนหรืออปัจยะนี่แหละไม่หมดในจักรถาวัตถุสิบก็ดีในหลักตรวจสอบธรรมวินัยของาศาสนาพุทธก็ดีในวันนักก้าววันนักก้าวนี่คื อ, เ, อ, อเป็นคนท้นสูง แต่คนชั้นสูงนี่ไม่ใช่ชั้นวันณะแบบลกโลกที่เขาถือชั้นถือวันณะถือผิวถือสีอะไรกันอย่างนั้นไม่ใช่ถือลกกกถือเหล่าอะไรนั่นไม่ใช่แต่เป็นสัจธรรมที่คนที่จะมีชั้นวันณะวันนาในแปลว่าคนสูงขึ้นตามระดับชั้นฐานะสูงด้วยศัจธรรมไม่ใช่สูงยกตัวยกตนไม่ใช่สูงไปสมมุติกันนะแต่เป็นวันณะถ้าไปแปลว่า ผิวพันธุ์ก็ได้ผิวพันธุ์ก็ได้วันณนะที่จริงแปลว่าชั้นก็รู้อยู่ชั้นวันละเรารู้อยู่เพราะงั้นคําว่าชั้นคํานี้จึงซ้อนกับคําโลกีว่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นชั้นวันณนะแบบที่ไปเหยียดกันข่มกันดูถูกกันและก็กลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่บาปเวรเป็นเรื่องที่ทุกร้อนเป็นเรื่องที่เลวร้ายในสังคมไม่ใช่อย่างนั้นแต่วันณนะอันนี้นะหมายถึงสัตรูธรรมที่ประเสริฐของคน เป็นคําที่ประเสริฐเป็นความประเสริฐของมนุษยชาติที่แท้จริงเป็นความเจริญเป็นความพัฒนาเป็นปัญญาญาและเป็นจิตที่ลดกิเลสเห็นแก่ตัวเป็นจิตที่ไม่เลวร้ายมีแต่จิตเจริญจิตเมตตากรุณามุ้ทีตาอุเบกขาอ่ายี่มีชั้นสูงยี่เมตตากรุณามุ้ทีตาอุเบกขาสูงอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นคนที่เจริญจริงๆเป็นคนประเสริฐจริงๆเป็นอริยะบุคคลจริงๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าไม่สัมมาทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้สัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศประกาศพระวจนะของพระองค์ทุกคำสอนเสร็จแล้วก็เข้าใจคำสอนไม่ตรงปฏิบัติไม่ได้ตามพระอนุสาสนีไม่เป็นปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหารนะ ก็ไม่เกิดผลถ้าเผอว่าปฏิบัติเป็นไปเพื่อความเจริญเนี่ยถ้าไม่มักน้อยลงถ้าไม่เดินทางมาเป็นคนจนก็ไม่เข้าท่าไม่ตรงกับธรรมมาพระพุทธเจ้าเพราะคนที่จะไปอธิบายการเลี่ยงนะเลี่ยงจากสาระแท้ ไปอธิบายกันไปพูดกันหรือไปทําความเข้าใจให้เป๋ให้เพี้ยนให้อะไรอะไรไปกันเนี่ยจากสัจจะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทําให้คําสอนหรือพระอนุสาสนีพระพุทธเจ้าเสื่อมไปเรื่อยๆเพี้ยนไปคําสอนของท่านไม่เสื่อมหรอกแต่คนเข้าใจเนี่ยแล้วก็มาสอนกันมา อ, อธิบายกันผิดไปคนก็เข้าใจผิดผิดไปเรื่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆ ความเป็นศาสนาพุทธมันก็เสื่อมไปตามความเข้าใจผิดแล้วก็พากันปฏิบัติผิดนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ตรงไม่ตรงตามเนื้อแท้ของความเป็นอริยะของความในพระศาสนาพุทธจะจะจะพาเป็นเพราะเรามีพระมหากษัตริย์แม่แต่ทรงพระอาสภิวาจา นี่เป็นพระอสวิปสปิวาจาเป็นคำตรัสที่องค์อาจกล้ากล้าอภิสวาจาทีา่สมเด็จปู่ของพระพุทธเจ้าทวดทวดสมเด็จทว ด, ทว ด, ทวดของพระพุทธเจ้าตัดกับสมเด็จปู่สมเด็จทวดของพระพุทธเจ้ารุ่น ก, ก่อนๆแต่เก่าๆบรรพชนของพระพุทธเจ้าที่ตระกูลศักกายะ วงสักกยะนะวงศากายะเนะี่ยสักยบุตรเนะี่ยที่ตัดว่าตั้งแต่แยกมาแล้วพระราชบุตรแยกออกมาจากพระราชบิดาพระราชบิดาก็ทรงกล่าวบอกอภิสปวะจาโอ้โหพวกนี้มันกล้าหานกล้าหานหนอกล้าหานหนออาภาิสปวะจานี่กล้ากล้าหานเป็นคำที่กล้าหานองค์อาจมากนะ วันสิ่งประเสริฐสิ่งนี้แหละอาตมาเอามาอธิบายเอามาขยายความเอามายืนยันให้รู้ว่าไทยเราเนี่ยเรามีสิ่งประเสริฐอันนี้ของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระเจ้าแผ่นดินของเราก็ดีพระมหากษัตริย์ของเราพระองค์นี้นก็ดีมันอันเดียวกันสอดคล้องกันที่ เอาประบาลีทั้งหมดมาพูดเมื่อกี้นี่ของรพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นมันอันเดียวกันเลยเพราะฉะั้นผู้ที่จะมีภูมิธรรมรู้จักความเจริญหรืออารยธรรมอารยสังคมอย่างที่เป็นแบบคนจนเนี่ยมันจงไม่ใช่เรื่องสามัญมันเป็นเรื่องวิสามัญมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นมันเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดยอดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่สนใจที่รัก ประเทศชาติรักความเจริญที่แท้จริงก็น่าจะสนใจน่าจะศึกษาให้เป็นสมาธิิและช่วยกันส่งเสริมจะดีนะเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอยู่แล้วมีพุทธศาสนิกชนตั้ง 95% นมีประชากรนับถือศาสนาพุทธอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้นำทางศาสนาโดยตรงเนี่ยน่าจะ อาตมาก็ไม่รู้จะว่างไงนะก็น่าจะศึกษาให้สมาธิดีๆแล้วนําพาปฏิบัติตนเองแล้วก็พาปฏิบัติพาผู้ศึกษาผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนถ่ายทอดไม่ต้องไปกระดิกกระดาเอาไปประกาศนอกประเทศเผยแพร่อะไรไอ้ที่มันจริงๆไม่เขาทาโดยซ้ําไปนะ่ะข อ, อไปที่อาตมาพูดตรงพูดจริงนะ มันยังไม่เป็นอารียธรรมที่แท้จริงมันยังไม่สมาธิที่แท้จริงเลยแล้วเอาไปเทศเด้ประกาศเสียเงินเสียตองเสียแรงเสียเวลาแล้วก็ไปประโคมอะไรกัน อ, อย่างที่เป็นๆกันอยู่เนี่ยทำกันอย่างก้างขวางเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องทําลายนะอาตมาว่าเป็นเรื่องทําลายาศาสนาพุทธโดยตรงเลยเอาให้มันแท้เอาให้มันจริงอยู่ในวงของไทยก่อนเถอะในวงของาศาสนาเรา จริงๆเนี่ยให้ดีก่อนด้วยให้มันสมาธิเตยไมไห้มีมรรคผลที่สอดคล้องกับพระวจนะให้มีอนุสาสนีปาติหารจริงๆนยเธอนะถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันไม่ป่วยการมาเข้าสู่ความหมายของเนื้อหาของทฤษฎีทฤษฎีศาสนาพุทธศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาหรือจรณะ15วิชา8 นะจารณวิชาจารณสัมปโนนี่แหละนะวิชาจารณสัมปนโนหลักธรรมอันนี้แหละซึ่งจารณะสิมาก็เริ่มต้นในศีลแล้วก็ภาคปฏิบัติตัวปฏิบัติที่ไม่ผิดก็สามข้ออปรณกะปฏิปทาข้อปฏิบัติสมข้อที่ไม่ผิดอภรณกะไม่ผิดศาสนาพุทธถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักย่อสามข้อนี้โดยมีศีลเป็นตัวตั้ง เป็นบาดฐานเป็นบาดของกรรมฐานทึ่อาตมาก็เคยขยายความแล้วว่าเป็นหลักบาดบาดฐานของแต่ละฐานะกรรมฐานะคือปฏิบัติหรือกระทำตามฐานะฐานะคนชั้นพื้นเริ่มต้นเลยท่าศีลห้าเป็นศีลพื้นฐานก็เริ่มต้นเอาศีลห้าเป็นหลัก เพราะฉะนั้นถ้าควา ม, วามเข้าใจกันศีนทาอัตมาจะยังไม่ขยายความไปถึงศีน8ดศีนสิบอะไรหรอกจะขยายความถึงศีนสมาธิปัญญาในการปฏิบัติศีนท่านหรือการปฏิบัติศีนเพราะฉะนั้นศีนที่เรากำหนดลงไปว่าเราจะเป็นกรรมฐานของเราไม่ใช่ว่ากรรมฐาน คือการไปเอาลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเป็นกรรมฐานเอาพุโทโธไปกรรมฐานเอากระสินต่างๆเป็นกรรมฐานอะไรอย่างนี้อัตมาว่าอย่างนั้นมันเป็นสมถะอย่างนั้นเป็นสมถะเป็นการจดจ่อจดจ้องและจิตก็สงบสงบลงในการจดจ้องจดจ่อไปสมถะวิธีเท่านั้นแต่ของพระพุทธเจ้านั้นศีลเป็นกรรมฐานนะคือหลักการที่เราจะต้องเข้าใจวัศีลเช่นปาณาติบาทข้อหนึ่งอ่า อธินนาทานข้อสองกาเมสุมิฉาจาร์ข้อสามปเป า, เปาโกหกมุสาวาจาข้อสี่สุราเมาเมาในโลกียสุรานะเมรยะมัชฌานก็เมาไม่ใช่คำติดอ่างนะ สุราแปลว่าเมาเมริยะแปลว่าเมามัดชาแปลว่าเมาแล้วก็สาเมาเมาเมาเม า, ม า, มาเวรมานีไม่ใช่นะมันเมามีความหมายเป็นขั้นตอนเพราะงั้นก็เอาขั้นต้นสุราก่อนก็ไปแปลสุราเป็นวัตถุกันสุราเป็นความเมาขั้นต้นเมาอย่างหนักอย่างกล้าสุราเมาอย่างสูงอย่างอบายเมาอย่าง ชั้นต่ำสุดท่านพื้นฐานเท่ากับสีหน้าย่างนี้เป็นต้นเป็นการเมามัวเมามอมเมากันมัวเมากั น, กนในพฤติกรรมของสังคมพฤติกรรมที่เป็นท่านเรียกว่าอบา ย, ยมุกอบา ย, ยมุก ค, คือเป็นความเสื่อมต่าพฤติกรรมที่เสื่อมตำ่ำพฤติกรรมที่เสื่อมตำ่ำที่มัน ตั้งแต่จิตมันเป็นสัตว์นรกจิตจิตนะี้สัตว์นี่เป็นโอปปาติกะสัตว์เป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณซึ่งต้องเข้าใจทิฏฐินี้ตั้งแต่มิจฉาหรือสมมาสิบข้อที่ท่านตรัสไว้สอนไว้ในทฤษฎีมักองแปดใองค์มักองแปดนี่แหละปฏิบัติศิ่สมาธิปัญญาในปฏิบัติมักองค์8 เมื่อถือศีลห้าก็ปฏิบัติมากองแปรฟังดีๆอัตมาจะขยายแค่ศีลห้าเมื่อคุณเข้าใจดีศีลห้าหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักเอาของของใครที่ไม่ใช่ของของเราในฐานะอันเป็นขโมยสามกามก็เอาละแค่โพเดียวมีเดียวในเรื่องเพจหรือในเรื่องของรูปลักษิ่เป็นเสียงสัมผัสในเรื่องกามาคุณห้า ก็อย่าไปเอาฟุ้งเฟอ้อจัดจ้านเกินไปนะถ้าฟุ้งเฟอ้อจัดจ้านโรคก็จัดจ้านราคาการะก็จัดจ้านโทรสัทก็จัดจ้านไอ้ยางงี้แน่นอนเราต้องรู้ของเราว่าไอ้ยางนี้มันอบายแล้วมันเป็นสัตว์นรกชั้นต่ำแล้วในกามหรือในอัตตาถือดีถือตัวจริงไปย้องในตัวเองนะมีความเป็นตัวเองสูงอะไรก็แล้วแต่ที่แท้ภาษาอย่างโกโก้เนี่ย เสร็จแล้วตัวเองก็ยึดติดอัตตานี่ยนั้นอย่างแรงอย่างมากพวกนี้แหละต้องเข้าใจก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะถ้าคนถือศีล น, นี้แล้วแม้แต่ทางกายกรรมการกระทาทางข้างนอกกายกรรมองค์ประชุมนอกนะการกระทาทางกาย ว, วาจาเท่านั้นศีลเนี่ยถ้าใครควบคุมได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาของใคร ไม่มีทุจริตกรรมในเรื่องที่จะเป็นฐานะให่งความเป็นขโมยและเมืองไทยมันเศร้าไหมขนาดผู้ดูแลทางกฎหมายจับขโมยแล้วเป็นขโมยตัวเอซะจริงเองเนี่ยมันหมดเรื่องเลยหมดท่าจริงๆเลยลือลั่นไปอายทั่วโลกมนุษย์จะเอาหน้าไปสุขที่ไหนทุกคนกลายเป็นนกกระจอกเทศหมดแล้ว นกกระจ อ, อกเทศมันเอาหน้าสุขเข้าไปในดินนกกระจ อ, อกเทศเนี่ยมันจะต้องเอาหน้าสุปเข้าไปในดินที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะเพราะงั้นถ้าเผื่ว่าเข้าใจความหมายจริงๆแค่ข้างนอกทำได้โดยจิตยังไม่ถึงเมื่อทําปฏิบัติทําโดยศีลแค่ข้างนอกมันก็มีผลแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าอธิศินสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาหรือบรรทึงอธิวิมุตติมุตติเนี่ยมันคือการบรรลุแค่กายวาจามไม่ใช่มันบรรลุถึงตัวต่อเนื่องจากศีลอธิศินสิกขามาเป็นอธิจิตสิกขาจิตต้องเจริญจิตต้องเจริญจากศีลอธิจิตสิกขาจิตเจริญเข้าสู่ความเป็นฌานเป็นสมาธิ แล้วมีอธิธปัญญามีอธิมุดหรืออธิวิมุดอธิมุดหรืออธิวิมุดก็คือหลุดพ้นนั่นแหละจิตเจริญกันไปท่านเรียกบอกโน้มน้มน้อมไปสู่ที่สูงจิตโน้มไปอธิอธิมุดนี่ท่านแปลว่าจิตโน้มน้อมไปท่านแปลเอาเอาความหมายก็ถูกเป็นนามธรรมจิตโน้มจิตนี่มันเป็นจริงเลยมันเดินทิศทางก็ไปสู่อริยะนะ เป็นสัมโพธิปรายนะเป็นการเดินสู่ทางสูงไปไม่ตกต่ำเอาวินิปาทธรรมไม่ตกต่ํามีแต่ขึ้นสูงไปทางนะความหมายของอย่างโซดาบันเนี่ยถ้าจิตเข้ากระแสของอริยะจริงแล้วนี่โซตาปาัณะแล้วมันก็จะเอาวินิปาทธรรมมันจะไม่ลงต่ำเอาวินิปาทธรรมแล้วมันก็จะแข็งแรงจนกระทั่งนิยตะเที่ยงแทพอเที่ยงแท้ท แ, ทแล้วมันก็จะสูงไปสู่ที่สุดเลยเป็นอรหัตผลโดยสัมโพธิปรายนะ นี่เป็นคุณลักษณะของพระโสดาบันเลยเป็นอริยบุคคลที่แท้เพราะนั้นชีวิตของคนเมื่อไม่ทำร้ายสัตว์จิตก็จะต้องมีผลอธิจิตมีผลจากจิตที่มันเป็นศีลข้อหนึ่งนี่มันทำกำจัดโทสะมูลกำจัดกิเลสพยาบาทโทสะมูลลดจริงๆอ่านจิตออก ปฏิบัติศีลนี่เป็นปรมาิตย์ปฏิบัติศีลนี่เป็นจิเตเจตสิกรูปนี่ผ่านเป็นอภิธรรมนะเป็นปรมาิตย์เป็นอภิธรรมเป็นอาริยธรรมเพราะถ้าเพราว่าปฏิบัติแยกศีลแยกสมาธิแล้วก็ศีลก็ได้แค่นั้นกระบวนการของศีลสมาธิปัญญาก็ถูกหั่นทิง้งตัดวิ่งไม่ได้เป็นบาตรฐานกันจริงไม่ได้ปักเป็นกรรมฐานกันจริง เพราะท่นจะลงไปเอากรรมฐานไปยึดพุทโธไปยึดรูปแก้วไปยึดพระพุทธรูปไปยึดสิล น, น, น้ำดินลมไฟอะไรแล้วแต่ซึ่งเป็นสมถะทั้งสิ้นแล้วก็จดจ่ออยู่เชนนั้นนะเพื่อให้เกิดสมถะเท่านั้นมันไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดสัจจะที่เป็นของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถรู้องค์รวมของรูปนามที่จะทำงานอภิสังขาร จัดการกันปรุงแต่งกันพัฒนาการกันขึ้นมามันไม่เป็นนะเมื่อไม่เป็นมันก็คือผู้ที่ปฏิบัติโยนิโสมนสิการเป็นอโยนิโสมนสิการไม่ถ่องแท้ไม่ถูกต้องนะทำใจในใจไม่ถูกต้องไปทำใจในใจคนลทิศ ท, ทางคนลวิธีไม่ใช่วิธีแบบพระพุทธเจ้าสอนนะแบบที่จะโพธิปักย์ธรรมเป็นต้น หรือปฏิบัติมากองค์8กับปฏิบัติมาก็มากเจ็ตามมหาจัตรีสกสูตรเป็นต้นหรือว่าปฏิบัติโภพภิปัการธรรมก็จะเป็นโลกุตระตามอะไรสูตรเนาะแต่ในพระธรรปิฎกเล่มสามสิอ็ข้อ620้อยบตามายังจำเล่มได้อะไรสูตรเอยข้อ3าเออเล่มสาข้อ620 ที่บอกว่าโลกุตระเริ่มต้นตะโพธิปักเลียธรรมแล้วก็จะเกิดโลกุตระเก้าโซดาบันไระเจ้ตั้งถึงนิพพานนะที่เอามายืนยันอ้างอิงอธิบายอยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะเพราะตะโพธ์ว่าเข้าใจไม่ถูกคำสอนไม่ถูกความหมายตรงตามที่พระเจ้าท่านสอนมันก็ไม่ได้ปฏิบัติศีลก็ไม่เกิดอธิ จ, จิตเพราะแยกกันเสแล้วนะมันไม่เป็นบาทฐานกันมันไม่เป็นกรรมฐานแห่งกันและกัน มันไม่ได้กระทาตามอธิบายกันได้คุณไม่ฆ่าสัตว์เมื่อเวลาคุณสัมผัสในวิธีปฏิบัติตามปฏิจจสมุูบาทในวิธีปฏิบัติตามสมบูบาทท่านก็สอนไว้ชัดเจนว่าจะต้องอ่านกายวาจาใจจะต้องอ่านเมื่อปฏิบัติก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ปฏิบัติในข้อต้นๆเลยไม่ว่าจ ะ, ะเมื่อคุณเอาวิชามีปัจจัยต่างๆ ต, ต, ต่อเนื่องกันไปยาวเหยียดในปฏิสมบัติเนี่ยมันจะต้องรู้ตั้งแต่สังขารวิญญาณนามรูปอายตนะนะผัสสะเวทนาตันาอุปทานพบชาติพยัญชนะพวกนี้ ไม่ได้หมายความว่าให้ท่องภาษาเท่านั้นมันหมายถึงสภาวะธรรมต่างๆามันคืออะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นอักวิชาก็มีปัปจจัยคือสังขารคือคุณไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ธรรมาเจ้า ว, วิชานี่ก็จะไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรกายสังขารองค์ประชุมของรูปนามเพราะฉะนั้นตากระทบรูปก็มีรูปนั่นคือตา พอกระทบกับรูปประสาททางานในประสาทรูปมีโคจรรูปก็คือการดำเนินโคจรคือการดำเนินขึ้ น, นเกิดวิสัยขึ้ น, นเกิดจะเป็นอารมณ์ขึ้ น, นเกิดความรู้สึกขึ้นเกิดกระท บ, ทบสัมผัสขึ้นโคจรหมายคาว่าดำเนินไปมีตาไม่ดำเนินในปตาหลับซะมั่ง อยู่เฉยใมไม่เอาประสาทก็ไปร่วมด้วยมั้งมันก็ไม่ดําเนินไปเป็นอะไรมันก็ต้องทํางานเพราะจับมีประสาทนะประสาททางตาประสาททางหูจมูกลิ้นกายใจพอมีประสาททํางานโกจระก็คือการทํางานดําเนินขึ้นไปนะพอดําเนินขึ้นไปก็คือไปกระทบกับรูปหรือไปกระทบกับถ้าโกจระข้างในก็เป็นข้างในเป็นนามนะซึ่งจะลึกซึ้งกันไปอีกอัตมาจะไม่พูดมันจะเยอะ เมื่อปฏิบัติทำสรุปง่ายๆก็ต้องมีตากระทบรูปแล้วก็เกิดบทบาทขึ้นมาเป็นภาวะเกิดปรากฏการจากสิ่งที่กระทบกันยิ่งมีนามมาทำมีจิตปิญญาณก็นั่นแหละก็เกิดจิตปิญญาณอย่างปฏิสุบัติที่ท่านจัดไปชัดว่าจะต้องปฏิบัติให้มีตากระทบรูปนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงต่างๆนานา และปฏิบัติพอกระทบแล้วก็จะเกิดวิญญาณนี่ว่าผัสสะสามจากตากระทบรูปจากหูกระทบเสียงจากจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนือส่วนกายทั้งหมดเนี่ยกระทบสัมผัส ต, ต่อภายนอกก็จะเกิดวิญญาณสังขารมีวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องรู้วิญญาณนี่แหละคือวิญญาณ คุณจะรู้วิญ ญ, ญาณได้คุณก็จะต้องมีญาณปัญญาที่จะรู้นามมารูปเพราะวิ ญ, ญญาณเป็นนามรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้คุณก็จะต้องมีญาณปัญญาอ่านอ า, า อ, อาการของวิญญาณนี่ออกคุณจะต้องมีปัญญาอ่านอาการได้ว่าวิญญาณอาการของวิญญาณคือนามมารูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณปัญญาอ่านวิญญาณ อ, ออกเพราะฉะนั้นคนที่ สีคนหนึ่งคุณกระทบคุณเองคุณชอบยังชอบนะชอบล่าสัตว์ไม่ต้องล่าอะไรแล้วล่ามากินล่ามากินเอาไปต้องไปล่าอะไรให้มันเดือดร้อ น, น่ยนอยากจะกินเนื้อแก้งอยากไปกินเนื้อหมีอยากไปกินเนื้อสิงสาลาสัตว์อะไนีนยาก็ไม่อาจต้องขครืนหนามนั้นแล้วอเอาแค่อยากจะกินเนื้อปลา คุณก็เปล่าปลามาเห็นปลาตัวงามเห็นปลาตัวโอ้โหกำลังนาแะไข่ท้องกาลังดีเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเอารู ป, ปรธรรมมายกตัวอย่างขออภัยเถอะชาวประมงทั้งหลายไม่ได้ว่าท่านหรอกแต่ว่าท่านก็รับวิบากของท่านอยู่แน่ถ้าถาจะมีอาชีพอย่างนี้ในาศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้ละเว้นว่า ถ้าจะทําอาชีพเลี้ยงตนไม่บาปไม่มีหรอกท่านไม่เคยละเว้นนะเพราะฉะนั้นยังไปกระทบรูปอยู่กระทบสิ่งที่เป็นสัตว์ศีลก็ต้นก็จริงจิตของเราก็ต้องการที่จะทํา้ายเขาฆ่าเขาแม่จะเอามากินยิง่าเล่นขาหัวขาอะไรต่าง ๆ, างๆนั่นนาโอ้โหนักกีฬาล่าสัตว์นั่นยิงบาปมีราคาแพงมากเลย ขนองบาปอย่างขนาดนั้นเอาละขยายความวันนี้มันจะเยอะเกินไปเพราะผู้ที่กระทบตากระทบสัตว์แล้วรู้แล้วว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นพระอนุสาสนีว่าอย่าฆ่าสัตว์แม้เอามากินท่านสอนไว้ลึกซึ้งละเอียดเลยมันบาปจักระตั้งบันนี้สัตว์มีชีวิตไปลากตัวมันมาไปออกชื่อมันเอาปลาตัวนั้นมา เนี่ยเอาใส่ตู้มาได้ทุกวันนี่แหละทำเป็นอ่างเป็นอะไรแต่ลายมาว่าเอาจะเอาตัวไหนทำสดสดร้านขายอาหารเอาสดสดเอาตัวนี้ตัวนี้จับตัวนี้แหละมาลงกระทะแล้วทอดก็จับนะจับหัวมันไว้ทอดแต่หางมันมันดิน้นจงกระทั้งมันก็พงงาพังงาพังง า, งงาจะตายก็ตา ย, ตายไม่ได้มันยังไม่ตายทำไป ม, มันตั้งแต่อ ม, มหิทโหดเยี่ยมอะไรกันนักกันหนามนุษย์มานา ไม่รู้ใครเสี้ยมใครสอนกันนะยักษ์มารตัวไหนมาสอนเอาไว้แล้วก็เป็นลูกยักษ์ลูกมารกันมาจนถึงทุกวันนี้ซาตานสอนยักษ์มารอะไรกันนาะอย่างนี้เป็นต้นเอาละนักขยายความเพื่อให้มันเห็นความอมตะเห็นความเลวร้ายสรุปแล้วจิตของคุณอยากจะทำร้ายนี่จะมาเพื่อกินเพื่ออยากได้เพื่อทําลายอะไรก็แล้วแต่ไปทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นทําไม นะเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตสิ่งเหล่านี้มันลึกซึ้งมากว่ามันมีพยาบาทมันมีการเป็นเวลานุเวงกันมันเป็นภัยเป็นบาปต่อเนื่องกันในสัตว์โลกวิญญาณทั้งหลายแหล่นิหมุนเวียนซับซ้อนโอ้พูดก็ไม่ไวเราไปอาจินไตกรรมวิบากนะแต่เอาเถอะเอาหยาบๆมีก็พอเข้าใจกันมาคุณไม่ต้องเอาสัตว์มาเลี้ยงชีพกอได้คุณไม่ต้องไปทําร้ายสัตว์อะไรซีิถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะรับรองเลยนะ ถ้าประเทศไทยนี้มีคน95ล้านเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์กันจริงๆเลยแม้แต่เอามากินแม้แต่อะไรต่อะไรแล้วก็สัตว์มันจะเยอะแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันเอ็นดูมันก็จะสานมันจะอะไรต่อะไรกันอย่างโอ้โหคเนยวิญญาณสัตว์มันก็จะเห็นเลยว่าคนเรามันร้ายตรงที่เอามากินนี่แหละ นอกจากไม่เอามากินแล้วก็ไม่ไปใจร้ายว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะฆ่ามันมดแมงมดแมงปลูกอะไรต่างๆนานาเราเป็นคนเราสูงกับพวกนั้นอ่ะมันมาทําร้ายของเราอะไรเราก็ไมาจจะไอ้โมหิตอะไรๆต่างๆนานาซึ่งเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนอ่ะมันจะต้องมีความคิดที่จะอยู่เนื้อความทำร้ายของสัตว์นะสัตว์ต่างๆมันก็อาศัยของมันมันก็มีอะไรให้มันกินมันอยู่ธรรมชาติเยอะแยะมันไม่ต้องมารังควานกันก็ได้คุณก็เลี้ยงมันได้เป็นคน สรุปแล้วแม้แต่ศี่ข้อหนึ่งถ้าคุณไม่เห็นว่าเออคุณจะต้องงดเว้นการฆ่าสัตว์ใดๆทั้งปวงคุณสัมผัสกั็สั์ใดๆเนี่ยแม้แต่จะฆ่ามากินนี่แหละทุกวันเนี่ยคุณก็ไม่ฆ่าจิตคุณจะเมตตาจิตคุณจะอื้มนี่แหละอัตมาพามากินมังสวิรัตกันเนี่ยละเว้นเนื้อสัตว์รถสัตว์ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์กันเนี่ยมันจะเกิดจริงๆเลยมันจะรู้สึกเลยว่าอเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิต อันนี้แหละคือการแผ่เมตตาความรู้สึกที่เกิดจากจิตใจเราจริงนี่แหละการเห็นสัตว์สัพพัสกับสัต์แล้วเนี่ยมันเมตตานี่แหละคือการจิตของเราเมตตามันเกิดราศีรังศีหรือว่าแผ่กระจายออกไปสู่เอาเมตมันอาการเมตตาจากจิตมันเกิดกับสัตว์นั้นแล้วนี่คือแผ่เมตตามันเกิดอาการจริงนะไอ้ไปนั่ง ไอทองภาษาบาลีกับปอยอะไรตาย น, นั่นนะมันไม่ได้ไม่ใช่แผ่เมตตาแผ่เมตาเมตาคือจิตมันมีอาการจิตจริงๆมันสัพพัสัต์นี่แล้วก็เมตตาเกิดสัพพัสสัตต์นี่แล้วเมตตาเกิดเช่นพวกเรามากินมังสวิ ร, รัตกันเสร็จแต่ก่อนแต่ไรเราเห็นแมงมันตกลงไปในโถส้วมเราไม่เคยไปยัยดีลาดน้ำส่งเลย ใช่ไหมใครเคยทำบาปเก่าสรารภาพซะดีๆใช่ไหมแต่พอมาถือศีลข้อนี้ไม่กินเนื้อสัตว์มันเกิดจริงเลยอัตมาไม่เคยสอนตอนแรกหรอกใช่ไหมคุณไม่กินเนื้อสัตว์ตอนนั้นนะคุณเจอเฮ้ยแมงนี่มันตกลงไปในโถส้วมอยู่้อยตุ๊บปุง่งตุ๊บปองแล้วก็หาอะไรมาตักขึ้นบางคนรีบโอ๊ยกลัวมันตามือจุ่มเลยดึงมันขึ้นมา นี่คือแผ่เมตตานี่คือจิตมันมีอาการรังศีราศีของเมตตาแผ่ออกไปสู่สัตว์เข้าใจความว่าแผ่ไหมนี่คืออาการจริงของสภาวะแท้ของมนุษย์มันเมตตาสัตว์แล้วเข้าใจชัดไหมไอ้เป็นนั่งบนนั่งทาทาใจแผ่เมตตาแผ่เมตตาทำอะไรอะไรกันไปนกรว่ากันไปโดยบัญญัติแต่ทำให้ ปฏิบัติอย่างไรหลักปฏิบัตินี่คือหลักปฏิบัติไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเกิดคุณแผ่เมตตาเกิดจริงเห็นไหมเห็น ไ, ไหมโดยคุณไม่ต้องต้องใครท่องแผ่เมตตาเป็นมังพัสาบาลีเป็นไหมอ่าเป็นอยู่คนเดียวอ่าเป็นอยู่สองคนห้องเป็นแต่ทําแต่ก่อนนี้ที่ท่องมานะทำอย่างนี้เป็นไหมใครแใครท่องไม่ได้ยกมือทีใครแพทท่องไม่ได้ คำแผ่เมตตานี่ท่องไม่ได้ไม่เคยท่องใครบ้างเอาท่องไม่จบนี่แหละอา้าวใครท่องไม่จบแต่ปฏิบัติทำไม่กินเนื้อสัตว์แล้วอาการที่อัตมากล่าวนี่เกิดไหมนี่คุณเกิดแผ่เมตตาแล้วโดยสัจจะไม่ต้องไปนั่งท่องคุณท่องมาก่อนนั้นคุณเกิดอาการนี่ไหมนั่นละแผ่เมตตาไม่มีไม่มีความเป็น สภาวะจริงเกิดขึ้นแต่อัตมาพาทาไม่กินเนื้อสัตว์นี่จิตคุณเกิดการแผ่เมตตาจริงแล้วเห็นไหมนี่ขยายความแค่นี้วันนี้คุณฟังทำได้เข้าใจแค่นี้คุณก็รู้ความจริงที่ชัดเจนลึกซึ้งก็ไปอย่างเดียวก็พอแล้วคุ้มค่าเสียเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงมาฟังใช่ไหมฟังกันมากี่ปีกันแล้วล่ะแผ่เมตตาแล้วทากันเต็มบ้านเต็มเมือง แล้วมันเกิดคุณค่าแผ่เมตตาจิตอย่างนี้จริงไหมละ่ะเพราะฉะัอาตมาพาพวกเรามาไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วเกิดอาการอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยอย่าว่าแต่เห็นนี่อาตมายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเกิดเออสัตว์นั่นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันมาแล้วก็โอ้โเอ็นดูมันก็ทำเบาๆทําอะไรแต่แต่ก่อนนี้เอยไม่ไมันจุง้งข่าบีไปเลยใช่ไหม แต่พอไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยจิตมันเกิดเลยมันเกิดเมตตาเกิดแพ้ได้เลยดังนี้เป็นต้นนี่คือศีลข้อหนึ่งเกิดผลนทางจิตศีนข้อหนึ่งเกิดแพ้เมตตาแล้วเกิดพ้นทางจิตเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เกิดพฤติกรรมจริงมันเกิดมันเป็นจริงนี่เกิดอธิจิตสิกษาเกิดขึ้นเห็นไ่มคุณเกิดสภาวะแล้วนะอาตมาอธิบายบัญญัติอธิบายภาษาเข้าไปอ๋อย่างงี้เหรอ เราก็ได้ธรรมะแล้วสิแต่ก่อนนี้ท่องแต่ภาษาไม่เคยเกิดธรรมะเลยเกิดได้ท่องท่องเป็นท่องเกง่งนะแต่มันไม่ได้เกิดสภาวะธรรมจริงเลยแต่นี่เกิดสภาวะธรรมจริงแล้วเพิ่งรู้ภาษาอ๋ออย่างนี้เอแผ่เมตตาเห็นไหมนะอย่างนี้เป็นต้นหรือศีลข้อสองใจมันไม่ได้อยากได้ของคนอื่นใจมันลดแต่ก่อนนี้ไม่ได้หรอกโอ้โหเผอไม่ได้นะ ไม่เพอยังหาทางจะเอาเปรียบเอารัดหาทางที่จะต้องแย่งมาจะได้มาไม่เอาไม่ได้เอาได้กลไม่ได้กลดมนมณฑาไม่ได้ ม, มนต์คาถาฆ่ามันมาฆ่ามันเอาเลยโอ้โหดเที่ยมแต่พอเรามาลดละลงมาเนี่ยจิตของคุณจะระ ง, งับในการที่จะต้องไปกระตือรือร้อนหรือว่าจะต้องไปกระเฮียนกระหืดือเพื่อที่จะอยากเรื่งมากมากมากมากมาก จริงเลยสิ่งข้อสองนี่อย่างน้อยที่สุดนี่คุณก็บอกว่าแล้วทุจริตไม่เอาอยู่ในกฎหมายอยู่ในกรอบของสังคมเพราะว่ากฎเกณฑ์ของสังคมที่มันมีเปรียบที่มันเอาเปรียบมันอะไรมันตั้งขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์เยอะทุนนิยมเนี่ยมันสร้างขึ้นมามากมายในสังคมอ่ะเป็นกฎเกณฑ์สังคมที่มันบาปนะที่จริงมันบาปพระธรรมาเกิดพูดว่าเงินเดือนของ ข้าราชการเนี่ยมันเป็นเงินเดือนบาทเป็นเงินเดือนช่อชนเอาเปรียบรัดประชาชนนะชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นแล้วก็ทับทวีไปสิกี่ขั้นกี่ขั้นไม่รู้ก็จะจบแล้วคนข้างล่างนี้นะศูนย์เป็นขั้ น, นประชาชนร้อนี่นะและพลเมืองร้อมีเท่าไหรนะ่จำนวนข้าราชการมีเท่าไหร่ในประเทศมันเป็นการเอาเปรียบจนเกินแล้วก็ยิ่งเอาเปรียบจนกระทั่งดังนาสาหาัส เอาละพูดแล้วมันจะยาวความนะแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันจะเกิดนี่คือศีลศีลข้อสองนจิตก็จะเกิดแต่ก่อ น, นีขี้โลกทุกจริตขนาดไหนก็ไม่เคยยับยับย้งนะมันมีช่องมีโอกาสทำไปหมดแต่พอมาปฏิบัติบอกทุศีลข้อ ส, สองจะเป็นข้าราชการก็ดีจะเป็นนักธุรกิจก็ดีพอ้าดพานิ ก, ก็ตามแม้แต่จะเป็นกรรมกรแม่แต่จะเป็นอะไรจิตมันจะลด ความตะกละตะกลางในทางที่จะโลภเอาทรัพย์เอาสินเอาเงินเอาทองเอาเปรีอรัฐขึ้นมา ท, าทันทีเกิดผลทางจิตมันเกิดจริงๆนะ่ะปฏิบัติไปปฏิบัติไปอย่างที่พวกเราจะเห็นผลว่าเออจิตของเราแต่ก่อนนี่มันโลภจริงๆเองแกได้แต่เดี๋ยวนี้มันลดจริงๆมันก็ยังไม่ไว้ใจตัวเองว่าทํำไมมีจริงๆแนละ้วมันจะไม่ไหวก็ยักไว้มังัว น, นเอง แต่ถ้าแน่ใจแล้วหลายหลายคนแน่ใจแล้วโอ้ไม่ต้องมีลถตรงลดลงลถล ง, ลลงไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งไม่ต้องมีเลยฝากชีวิตไว้ปรปฏิพัฏทาเมชีวิกาฝากชีวิตไว้กับเพื่อนกับผู้อื่นที่เป็นผู้พิ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้อย่างพวกเรานี้ทึ่เอาจะมามั่นใจเรื่องนี้นะแล้วพวกเราก็มาอยู่แล้วก็มั่นใจแล้วสังคมเรามีหลักประกันของสังคม ที่จะพึ่งกันถึงขั้นหลักสาธารณภพีมันมีตัวอย่างมันมีสิ่งยืนยันมาเลี่ยงดูกันไปดูแลกันไปจนตายจากกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นญาติสายเลือดเท่านั้นเกิดจากสัจจธรรมเกิดญาติธรรมญาติทางธรรมเป็นพี่เป็นน้องกันทางธรรมเป็นพราดนรนระพากันทางธรรม และมันก็ไม่ละเว้นเราทางสังคมเลยมันเป็นญาติพี่น้องกันทางสังคมเลยอซึ่งมันยิ่งใหญ่ไหมละ่ะยิ่งใหญ่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงกันยิ่งขึ้นถึงกั้นสาธารณโภคีนี้ยอดส่วนศีลข้อสามนั้นก็ถือศีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยสังวรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะลดจริงๆมันจะสังวรราคาจริงๆพราะคุณสังวรเมื่อกระทบสัมผัสต่อรูปลดเึินเสียงสัมผัส สัมผัสสัมพันธ์ต่อเพศตรงกันข้ามอะไรใจต่างๆนานามันจะสังวรสำรวมจริงๆการสังวรสำรวมก็เริ่มต้นจิตละยิ่งคุณสำนึกคุณใช้ปัญญาคุณใช้การยิ่งอ่านเป็นอ่านจิตเป็นเลยว่าโอ้อาการราคาเราเกิดราคาทางอาหารราคาทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสราคาทางเพศมันเกิดอาการขึ้นมาคุณก็ต้องอย่างน้อคุณก็ กข่มมันทันทียิ่งพิจารณามันจริงๆเลยมันไม่แรงจนกระทั่งเรามีมารยาทสังคมมันไม่มันเกิดในใจเราเราไม่ออกไปเป็นผ่านข้างนอกเราแล้วก็พิจารณาของเราใช้การเห็นว่ามันโอ้กิเลสนี่มันหลอกมันเป็นตัวปลอมมันเป็นอาคารตุกกาไม่ใช่ตัวจริงคําสอนพระเจ้าสอนได้หมดมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่มีตัวตนหรอกแต่เราเองน่ะมันโอ้โหเลี้ยงมันไว้เป็นอนุสัยมานากี่ชาติไม่รู้ มันเลี้ยงไว้มันหลงโง่เลี้ยงไว้นานเข้าใจเดี๋ยวนี้คุณบอกโค<ฮ>ด<ฮ>ไปไปไปไ ป, ไปถ้าคุณมีแรงจริงๆเลยมีปัญญาสูงพอที่ไปมันรู้แล้วสัตว์นรกมันก็ไม่มีในจิตได้จริงๆนะ่นพลังปัญญาคุณขึ้นถึงที่เนี่ยมันก็ไม่เอามันก็ไม่เอาละมันก็ไม่ว่าลวราคาอย่างนี้มา ไม่เกิดอาการต่อไปมันก็ไม่เกิดจิตก็ไม่มีราคะอันนี้หรือเราจะเห็นมันไม่ถึงขั้นพอดผ่ามันก็จะค่อยๆเบาลงวิราคะดูปัิสีนีโรธานุปฏิสีตตามลาดับเห็นมันจางกลาเห็นมันเบาลงมันได้ก็เบาลงได้ซึ่งพวกเราอัตมาว่านักปฏิบัติตามพวกเราชาวโซจะอ่านออกใช่ไหมเออมันเบาบางมันเบาบางไม่ว่าจะเป็นรูปโกจริงเส่งผัาหรือไม่ว่าทางเพศทางอะไรแต่อะมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นศีลจะเกิดอธิ แล้วจะมีปัญญารู้ความจริง<อ>ตามความเป็นจริงว่าอ๋ออาการโทรสะโลลดอย่างนี้อาการราคะโลลดอย่างนี้อาการโลภรลลดอย่างนี้ยิ่งที่เป็นต้นสิ่งก็สีก็ยิ่งไปโกหกไม่ต้องโกหก็โกหกทำไมล่ะโกหกถ้ามันโกหกมันยังก็เลวชัดๆเรารู้อยู่แล้วว่าโกหกมันไม่ได้เคยความดีอะไรจะโกหกสีขาวก็ตามใช่ไหม ไม่รู้พระเจ้าองค์ไหนสอนมาโกหกสีขาวนี่คือโกหกใดน่าแม่ก็แปลกนเมืองไทยมีภาษาแม่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะไม่พูดภาษาไทยด้วยนะฮะฝรั่งสอนมาโกหกสีขาวเหรออ๋อนี่ถนัดทางภาษาฝรั่งพระเจ้ปริญาโททางภาษาโอ้เอ้าดีฝรั่งสอนมาเป็นคำว่าฝรั่งสอนกัน ไอ้เราก็ไม่เคยดีนเพราะเราไม่เคยเก่งไปที่เป็นนักศึกษาเนาะเอ อ, อไม่เคยเจอเพรมันได้ยินจากที่เนี่ยก็บอกกรุงหกสีขาวโอ้มีด้วยเว้ย <c oughs> ก, ก็แปลกหูแปลกตาดีแปลกหูแปลกใจดีนะอัตมาอธิบายละเอียดมาพอสมควรสรุปให้เห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมมีศีลเป็นบาทฐาน เมื่อเวลามาปฏิบัติจากเครื่องอุปโภคบริโภคโภชนเนโภชนเนมตนัตัญจุตตาในสิ่งที่เป็นโภคะต่างๆอุปโภคก็ดีบริโภคก็ดีที่จะบริโภคอาศัยกินอาศัยอยู่แม้แต่เรื่องอาหารนี้ยิ่งชัดเจนอาหารที่คือคำข้าวกวรินกราหารเคี้ยวกลืนเข้าไปในปากเนี่ยมันมีรูมรับกลิกลก่นสัมผัสครอบอยู่ในนั้นเลยเกี่ยวกับสัตว์สัอะไรทั้งนั้นอยู่ในนั้นหมดตั้งแต่ศีลข้อนหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสอะไรทั้งนั้นเลย แล้วก็โมหะเมาเมาแรงเมาจัดติดยึดจัดต่างๆสารพัดเราก็มาล้างกิเลสตรงนี้ได้ศีลสมาธิปัญญาเกิดบิมุตดเกิดบิมุดตรงตามคําสอนพระเจ้าทุกอย่างกิมัิยสูรตรปฏิบัติศีลแล้วจะไปเป็นมุติขอสรุปเลยปฏิบัติศีลแล้วจะเกาเกิดบิมุติเป็นอนิสงส์แท้จริง ไม่ใช่ศีลมีแต่แค่กายกับวาจาที่สอนก็อยู่นี่อัตมาก็ขอย้ําขอยืนยันว่าอัตมารับผิดชอบในคําพูดนี้ว่าสอนผิดนี่พูดว่าเลยนะขอยืนยันแล้วก็ขอยืนยันขอรับรองอรับผิดชอบคําพูดที่อัตมาว่าสอนกันผิดสอ น, นว่ากายกับวาจาเท่านั้นศีลศีลจะต้องไปถึงอ น, นิสงฆ์ถึงขั้นจิตไม่ใช่แค่กายกับวาจาต้องเกิดอธิจิตนะเพราะฉะนั้น อาปัณ伽ปฏิปทาปฏิบัติจริงก็จะเกิดสัตรธรรมเจ็ดเกิดฌานสเกิดผลทางจิตสัตธรรมเจ็ ต, รรเจตั้งแต่ศรัทธาฮิริโอตปะแต่ก่อนไม่เคยละอายเลยเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ว่าแมงมดอะไรต่อะไรมันตกส้วมเอาน้าําลาดลงไปเลยอายที่ไหนแต่ก่อนนี้ต่อมาเออไ ม, อไม่ไม่เอาะบางทีแม่ว่าเราจะกระดากเราไมย่ยังไม่กล้าพอที่จะไป เอามันขึ้นเ อ, อ้ยมาช่วยเอาขึ้นหน่อยหนุไปลองคนอื่นแต่ตัวเองไม่เอาขึ้นฮิริละอายต่อการทำลายแต่เป็นตกระแล้วโอ้โหปุบเอาเลยแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดจิตอายที่จะทําให้สัตว์ตายแ้ว เ, เราเป็นเหตุหรือว่าเออน่าสงสารมันเมตตาเกิดจริงไม่จะไปแผลเมตตาปากปา ก, ปากพูดแต่จิตมันเกิดเห็นเขาทุกข์สัตว์มันแย่อะไรนี้เป็นต้น นี่คือสัจจะมันเกิดอัจจิจิตจริงถ้าปฏิบัติถูกต้องมันจะเป็นเลยนะมันจะเกิดศรัทธาเชื่อถือฮิริเกิดโอตรปะปยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีทือชั่วชมบัติอะไต่างๆน ะ, นะแล้วก็เกิดความรู้ปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลพหุสูตรเนี่ยนะศรัทธาฮิริโอตรปะปาพหุสูตร คือความเจริญของทฤษจะเดาด้เรียนความรู้ที่เรีนมาแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นหุสัจจะเป็นสิ่งที่เจริญขึ้นมาตามสัจจะเกิดความจริงขึ้นมาว่ามันจะเกิดผลทางจิตนะเกิดผลทางจิตจริงวิริยะสติปัญญานี่คือสัสตรธรรมเจ็ก็จะเกิดจริงคุณธรรมเหล่านี้และหลอล้อมขึ้นเรียกรวมเป็นชานหนึ่งฌานสองฌานสามฌน ส, นสไปตามลําดับความเจริญของจิตเป็นอธิจิตที่เจริญ พร้อมกันนั้นก็มีวิชาแปดมีวิปาาัสสนาญาณมีมโนมิทธิมีอิทธิวิทยานต่างๆสดทิพหรือมีเจโตปริยาญาณมียาณเจรุสาราคาสะสัโทสสะโมหะแล้วก็ทําให้มนันลดได้ไปสังคิตตังจิตตังวิจิตตั ง, ตงจิตตังไปทําให้ดีขึ้นเป็นมหามหากตะขึ้นไปได้เรื่อยๆจนเป็นสอุตระจนเป็นอนุตรจิตจนจบเป็นสมาหิตังเป็น มุดบริบูรณ์นี่ก็สรุปเจตัปริยาน16สันส้นๆอย่างนี้เป็นต้นมันจะรู้แจ้งเห็นจริงมีเจตัปริยามีญานนี้เกิดจริงเาจารยมาเอามาอธิบายนี่เอามาจากสภาวะที่อามาได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ใช่ไปอ่านจากตาําราแต่ตํารามันมีเอามายืนยันก็ยิ่งแจ๋งเลยอามาก็จิบตํารามาขยายความยืนยันอ้างอิงก็ถูกต้อง ตามพระวจนะเพราะฉะนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาตัศนะจะเป็นองค์ธรรมที่รวมกันไม่ตัดตอนเป็นอิทัปยจยตาเกื้อกูลกันสังเคราะห์กันสังขารกันเป็นเหตุปัจจัยแก่กั น, กนและกันไปตลอดพาเจริญจริงๆเพราะคุณปฏิบัติศีลหคุณได้เป็นโซดาบันเมื่อเกิดผลในกิเลสเริ่มต้นรู้จกัก อ, อรหัตผลรู้จักความจางคลายของอ อภิธรรมของปรมาติที่แท้จริงนั่นแหละคุณเริ่มเป็นผู้ที่เข้ามรรคแล้วยิ่งมีผลสำเร็จไปเรื่อยๆคุณก็เป็นผลในเรื่องจหยาบแต่ก่อนนี้อยากจะฆ่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มีเพื่อนอาตมาบางคนมันเกลียดงู mm hmm. เห็นงูที่ไหนไม่ได้ต้องฆ่าถ้าไม่ได้ฆ่านอนไม่หลับไม่รู้มันเป็นจิตพยาบาทกันมาแต่ไหน mm hmm. เพื่อนทีทีวีโทรทัศน์ เมื่อวานนี้ไปเซเวนนาเพื่อนเก่าโทรทัศน์ในเมืองไทยเกิดมาหกสปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาผา น, นี่เขาอยู่ฝ่ายช่างเพื่อนคนนี้เขาอยู่ฝ่ายช่างเ้าเคยคุยคุยกันสารภาพกันว่าเขาแม่ในชีวิตนี้เขาเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเขาเจองูไม่ได้เกลรดงูมากต้องฆ่าเจอต้องฆ่าไม่ให้อยู่เป็นชีวิตไม่ฆ่าไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่หลับกินไม่ได้ต้องตามฆ่าให้ได้ ถ้าไม่ค่าแล้วร้อนเลยนี่มันพยาบาลกรรมธรรชาติไหนไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเพระเาะฉะนั้นมันมันลึกซึ้งนะเมื่าเราจะลดเลยจิตเราจะเกิดจริงๆเลยปฏิบัติแล้วจะกรรมฐานของสีน้านี่จะเกิดจิตจริงๆเป็นอย่างที่วานนี้นะ ที่อัตมาพยายามอธิบาลเนี่ยจะเข้าใจและฟังธทำจะเห็นข้อใหม่อัตมาก็รู้ว่าบรรยายวันนี้มีอะไรใหม่ๆเติมขึ้นมาอีกหลายประเด็นหลายมุมในห ล, ห, ล ห, ลหลายหลายในยะตั้งตั้งที่มันก็ไม่มันก็ไม่น่าจะคิดออกน่าคิดเองก็ได้อัตมาก็มาปฏิพานไม่ขึ้นก็ไม่พูดไม่ออกพบปฏิพานขึ้นพูดออกคุณฟังอ๋อไง่ายๆแค่นี้เองมันทอ้อซับซ้อนลึกซึ้ง <laughs> มันมีความรับซับซ้อนลึกซึ้งแต่ง่ายๆเนาะแต่ลึกใช่ไหมอ่ะ เพราะงะนผู้ที่ปฏิบัติได้โสดาบันจากนั้นพอได้สูตรได้หลักวิชาได้กฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติอาอย่างนี้เองสร้างอริยธรรมเป็นมรรคเป็นผลตามพระอนุสาสนีเป็นอนุสาสนีปาฏิหารสรุปเข้าเรื่องวันนี้ว่าเราพูดถึงเรื่องคนจนถึงเรื่องทิศลีพวกนี้ คุณก็จะลดความกระเฮี้ยนกระหือรอใจก็จะขี้โลภน้อยลงราคาน้อยลงขี้โลภน้อยลงราคะน้อยลงโทสาน้อยลงมันก็จะมาเป็นคนใจดีเป็นคนจนเป็นคนเผื่อแผ่เป็นคนเกื้อกูลเป็นคนไม่อามหิทเป็นคนไม่ทําร้ายใครเผื่อแผ่เกื้อกูลนี่สรุปมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงรเพรานั้นธรรมะนี่แหละจะสร้างมนุษย์ให้ทุกอย่างไม่ต้องไป ลำบากลาบนกันจะต้องมาสอนอชอสป ช, อ, ส อ, อ, ช อ, อะไรให้วุ่นทะเลาะ ก, กันอยู่เนี่ยเพราะว่ากิเลสทั้งนั้นเลยเนี่ยอะไรก็ไม่เสร็จสักทีเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าจิตใจที่มันต่างคนต่างไม่เห็นประโยชน์ตนหลงแต่อาจะต้องได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคแก่พวกเห็นแก่ลาบแก่ยศอะไรเกินการนะโอ้ยมันเร็วมันง่ายมันสะดวกนี่รูปหน้าไม่ะจะปะจมูกหรอกรูปหน้าปะหมดทุกอย่างเลยทั้งลู ก, กตาทั้งปาก รูปหน้าปะหมดทุกอย่างไม่ใช่ปะแต่จมูกโดโดๆทุกวันนี้ทำอะไรไม่ไปถึงไหนเพราะมันรูปหน้าปะหมดเลยคิ้วคางตาปู ป, ปากจมูกอะไรดูรเจอหมดมันเยอะเลือเกินรูปึ้นมามันเจอหมดเลยไม่จะเจอเจะปะรูปหน้าปะจมูกมันไม่ปะจมูกเท่านั้นหรอก มันก็เลยไม่ไปไหนลำบากน ะ, ะสรุปอีกทีหนึง่งของดีในเมืองไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์มีศาสนาพุทธิปิของพระพุทธเจ้าสุดยอดมีคนไทยที่ยังมีส ม, มโนครัวหรือยังมีชื่อว่านับถือศาสนาพุทธอยู่ตั้ง 90% กว่าเปอร์เซนต์ในประเทศสถาบันศาสนาพุทธก็ยังมีอยู่แท้ แล้วก็ไม่ใช่เล็กในเมืองไทยแม้แต่ในระดับโลกเขาก็ยกยกให้จงทำให้สมาธิปฏิบัติให้มีมรรคผลอย่างแท้จริงเป็นอริยะที่แท้จริงให้ได้เถิดให้ได้เถิดประเทศชาติจะได้อยู่เย็นเป็นสุขประเทศชาติจะได้เจริญอริยะที่แท้จริงอริยะแบบคนจนด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องวิเศษที่สุดประหลาดที่สุด เรินอย่างนัยยะนี่แหละนัยยะที่เอาของในหลวงมายขยายความอภพ ร, ราชดำรับถูกฟังวันนี้นี่แหละเอาละอัตมาตเหลือบดูเวลาแล้วมันเลยเวลาเมื่อกี้นี่อัตมาตขสชเขาเอาไปสิบแปดนาทีจะจำตัวเลขได้อยู่ ตอนนี้มันเลยไปถึงส9บ9ก้าสี่สิบก้าแล้วเอ้ยสิบเ้า0ี่แล้วอ้าวก็ตอบประเด็นอะไรกั น, ก น, น, นวันนี้ก็ขยายความที่พอสมควรอ้าวทีนี้ผู้ใดจะส่งประเด็นนี้ประเด็นส่งมาย่งไม่กี่ไม่ไม่กี่อันเพราะงั้นผู้ชมทางบ้านถ้าเผื่อว่าจะส่งประเด็นเข้ามาอีกก็เชิญยังมีเวลาพาะจะตอบกันได้ เบอร์โทรศัพท์หน้าผู้สนใจจดเบอร์โทรศัพท์เตียมกระดาษติดซ้อไปน้าปากกาก็ไดน้อะไรที่มันเขียนได้เอาทั้งนั้นน่ะเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขที่จะส่งมาได้ขึ้นหน้าจอก็คงขึ้นแล้วแต่มามองไม่เห็นออกอากาศเข้าขึ้นแล้วละน่าดูก็ได้อบอกให้ฟังอีกหนหึ่งหมายเลขที่1082 4 4 3, 0นย์ นะ0824430271อีกหมายเลขหนึ่งคือ0859492980 0859492980นะนะนั่นเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งประเด็นมาวันนี้นะเอาเชิญอา้าวที่นี้มาเริ่มต้น ต, นตอบประเด็น จากเมืองนนครับติดตามดูท่านานานแล้วท่านสอนไม่เหมือนใครผมก็ผ่านมาหลายครัวอาจารย์แล้วโดยเฉพาะสายอาจารย์มั่นผมก็ถามว่าท่านผู้เป็นพระอาหารหันเราดูที่กระดูกของท่านตอนตายแล้วเป็นพระธาตุตอนนั้นหรือเปล่าครับไอเรื่องพระธาตุนี่นะที่เอากระดูกว่ากระดูกเป็นพระธาตุเนี่ย จริงๆแล้วอาตมาก็ไม่เคยเห็นในพระไตรปิฎกตรงไหนสอนเอาไว้เลยนะยังไม่เคยเจอว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าให้ดูที่นี่แล้วเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นพระอรหันยังไม่เคยเห็นถ้าใครเคยเจอเคยเห็นเอามายืนยันให้อาตมาหน่อยอาตมาอยากเข็นเหมือนกันนะอยากเข็ น, นหลักฐานอันนี้ในพระไตรปิฎกตรงไหน พระเจ้าปิฎกเดิมเดียวกันที่ฉบับสยามรัฐนี่เดียกันนี่แหละอัตมาไม่เคยแต่อัตมาก็พอมีความรู้ตามของอัตมาว่ากระดูกนี่นะที่บอกว่าเป็นพระธาตุเนี่ยอัตมาก็พอเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะที่จับตัวกันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ตัวจับตัวกันเป็นเป็นาธาตทางฟิสิกส์แล้วมันเป็นแคลเซียมที่มันจับตัวกันแบบนั้นเมื่อถึงเกิดความร้อนเกิดความเย็นปะทะกันเกิดปรับตัว ก็ดูขึ้นกับปรับตัวเป็นอย่างนั้นนี่นะมันคือเรื่องของฟิสิกส์มันไม่ได้หมายความถึงคุณธรรมเพราะงั้นถ้าเผื่ว่าผูดใดปฏิบัติสายที่จะเกิดนี่อัตมาพอมีภูมิรู้ว่าสายที่มันเกิดจับตัวกันพวกนี้นี่นะถ้าเพื่อว่าทําจิตให้เย็นเพราะนั้นจะเป็นการนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยคนนั่งสมาธิหลับตาจะเกิด ทำจิตสมาธินี่เป็นสมถะเยอะๆเนี่ยเพราะงั้นรูสีชีพรโบราณที่อยู่ในป่าในเขาในถ้ำอะไรเนี่ยจะเป็นพระธาตแบบนี้เยอะจะเป็นอย่างสวยอย่างงามเลยเยอะเพราะมันเกิดทางฟิสิกส์มันเป็นเรื่องลักษะธรรมชาติคนธรรมดามันไม่ได้หมายถึงเรื่องของคุณธรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองแม้แต่ฤาษีใดก็แล้วแต่ที่จะมีพระาธาตุแบบนี้กันสวยงามยิ่งใหญ่ขนาดไหนแม้แต่แค่โสดาบันไม่เคยรับรองท่านจะรับรองโสดาบันต่อเมื่อมีโพธิปักเกยรตธรรมสามสเป็นต้นตั้งแต่ข้อนหนึ่งนะตั้งแต่ข้อนหนึ่งรู้จักกายในกายรู้จักเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในทำไปจนกระทั่งถึงมรรคองแปดถึงอุเบกขาฐานทานิพพา น, านจิตอุเบกขา นั่นคือคุณธรรมที่รับรองความเป็นอริยะจนถึงอรหันต์ของศาสนาพุทธไม่ได้เอาที่พระธาตุแต่ไม่ได้หมายความว่าพระที่ปฏิบัติธรรมะของพระเจ้านั้นจิตจะเย็นจะเย็นได้เพราะสายเจโตเย็นจะเป็นอรหันต์ที่มีพระธาตุได้ดีส่วนสายปัญญาเนี่ยจิตจะไม่เย็นเหมือน สายเจโตก็จะเป็นพระาธาตุไม่สวยอย่างพระาธระาตุภาษาทิบุนี้ไม่สวยเลยพระธาตุพร ะ, พระมงคลล า, า, านี้สวยนะอย่างนี้เป็นต้นเนะพระาะภาษาทิบุนจะไม่สวยเพราะพระมงคล า, นานจะสวยสวยกว่านี่คือที่อัตมาก็พออธิบายสู่ฟังได้ตามความรู้อัตมานะเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาพระาธาตุนี้มาเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นอริยะบอกแล้วว่าฤาษี ที่ดับตาเก่งๆทับจิตเย็นพวกนี้มีพระาธาตุทั้งนั้นแหละสวยส่วนใหญ่สวยๆเยอะเยอะกว่าแต่พระเจ้าไม่รับรองแม่แต่เป็นสดาธมันเพราะไม่มีเครื่องอยืนยันตัดสินเอาหมดเอาโพธิปักเยรีรยม37มไปจับสิแม่แต่กายในกายรู้ไหมซึ่งอาตมากำลังเน้นคำว่า ก, กายคำเดียวเนี่ยก็ยังเข้าใจกันยากเลยเพราะฉะนั้นแม่แต่คาว่า ก, กายไม่รู้เรื่อง ยิงบอกว่าต้องสัมผัสวิโมกขแปด้วยกายมืนเคเลยมองรู้เรื่องกันพอดีนะที่อาตมาพยาอธิบายอยู่เนี่ยนะสรุปแล้วที่คุณถามมานั้นก็ขอยืนยันว่าอย่าไปดูที่กระดูกเลยเพราะว่าถ้าคุณไปรอดูกระดูกคุณก็ต้องดู่ท่านตายแล้วมันซวยนะจะไปรู้ว่าพราะอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์ก็ดูเมื่อกระดูกเป็นพระธาตุมันซวย เอาตอนเป็นๆ น, นี่เหร อ, อรู้พระอริยะตั้งแต่ดูเอาตามโพธิปั ก, กยธรรมนี่จะเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ตรงเนี้ยเอาในเนี้ยมาศึกษาดีๆให้เป็นสมาธิเต็มแล้วเราจะรู้ว่อริยะโสดาสกิทานาคาอรหันต์กันเนี่ยตั้งแต่เป็นๆเนี่มันจะได้ไม่ซวยว่าโอ้โหอรหันต์เอาตอนตายถึง จ, จะได้รู้ว่าพระอราหันต์แล้วคุณจะไปเอาอะไรจากพระอรหันต์เอากระดูกอะโอ้นะ อ้าวตอบแค่นั้นก่อนจากพลเรือ ing, ตรีมินต่อไปนี้จะเป็นการละเมิดสิทหน้าหรือไม่อย่างไรโอโ้โหต่อไปนี้จะเป็นการละเมิดสิทธ์หน้าหรือไม่อยา่างหนึ่งฉีดยาเข้าร่างกายเพื่อฆ่าเชื้อโรคโอโ้โหสองฝันว่าได้ขโมยเงินจากตู้ a t m ทั้งหาคำถามมานะท่านพลเรือตรีมินโอ้นี่หาโจมให้อัตมาตอบ จะว่าสนุกก็สนุกนะจะว่ายวนก็ยวนจะว่ายากก็ยากเป็นได้หลายอย่างชิดหนึ่งชิทยาเคราร่างกายเพื่อฆ่าเชื้อโรค่าเนี่ยถือว่าสิผิดศีหน้าประสองฝันว่าได้ขโมยเงินจากตู้ a อ m 3. อมสมอยู่เป็นโสดสีเล่านิทานเรื่องโกหกหสูตรควันบุหรี่และดมกลิ่นสุราที่ระเหยมาในอากาศโอ้โหเอาหนัก <laughs> เอาหนัก นี่เอามาจากศีหน้านะเนี่ยข้อที่หนึ่งในฉียาฆ้าร่างกายเพื่อฆ่าเชื้อโรคนี่ฆ่าสัตว์ว่าไงนะได้ไปฆ่าเชื้อโรคเอาละคุณจะกลัวบาปให้เชื้อโรคมันกินตายก็เชิญนะเอาเร ต, ต่อแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันจะถือว่าฆ่าสัตว์หรือเปล่าคือสัตว์นี่มันอจินไตยเยอะนะ เซลเดียวนี่มันยังไม่มีพยาบาทใครได้เป็นเท่าไหร่หรอกผีชะนิยามพืชพันธุหารเนี่ยมันพยาบาทใครไม่เป็นเลยพอมันเป็นผีชะนิยามพอมาเป็นสักเริ่มต้นเซลเดียวเนี่ยมันก็เพิ่มจะมีพัฒนาการมาจากหลุดจากผีชะมาเป็นจิตนิยามขึ้นมาลอยตัวขึ้นมา ยังไม่มีทิวัฒนาการอะไรเลยมันจะไปจองเวรจองกรรมอะไรคนก็ยังไม่เป็นหรอกมันยิ่งกว่าอีเดียดโมหลอนอะไรไปตั้งเท่าไรอยมารู้ตั้งเทไรเพราะฉะนั้นก็ไปอะไรกันนักกันหนาะมันมีรายละเอียดเยอะนะเพราะงั้นแต่คุณบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเดีไปฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันมันฆ่าสัตว์ก็ให้เชื้อาลง ก, กินตายกันเลวกัน อัตมาว่าเอาชีวิตไว้ก่อนเธอถึงแม้จะมีบาปอันนั้นในชีวิตเนี่จะศึกษาหรือว่าจะทําประโยชน์จะยิ่งกว่าค่าไอ้เชื้อโลกนี่มันสัตว์ ม, มันมันอย่างต่า ม, มากนะสัตว์เซลเดียสัตว์ ร, ร้อยเซลอะไรแค่นั้นไอ้คนนี่มันโอ้ไม่รู้กี่ล้านล้านเซลนะเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจอันนี้อย่างดีว่ามันก็ต้องรู้ลําดับบ้างนะไม่เช่นนั้นมันก็ เรารักษาส่วนใหญ่เพื่อเพื่ อ, อทำลายส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้บ้างนะสองฝันว่าได้ขโมยเงินจากอุตู A ้เอ m อนะ็มจริงๆนะขโมยถ้ามันเป็นชั่วเป็นอกุศลทางจิตเนี่ยจิตที่มันเกิดปรุงแต่งอยู่ในจิตเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งเป็นจิตจากความจำสองเป็นจิตจากกิเลสจางแท้จริง มันจิตจากความจําในบางทีมันก็เป็นความจําเกิดอาการอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนกับเราจําเรื่องร้ายเรื่องเลวเป็นอหรหัน์ก็ยังจำเรื่องร้ายได้เพราะงั้นมันก็จะโผล่ขึ้นมาในความคิดสัญญาเก่าระลึกถึงบ้างเป็นได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นพระพเจ้าจึง ส, สรุปง่ายๆพระพเจ้าไม่เอาผิดทางความฝันนะและมันก็สุดวิสัยในความฝันเนี่ยมันสุดวิสัยไปถือเอาโทษเอาผิดไม่ได้ เพราะงั้นจะตอบว่าบาปไหมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บาปหรอกแต่ถ้าคุณฝันอย่างนั้นคุณยังมีกิเลสอยู่คุณยังไปขโมยเงินจากตู้เอทอ่ะแต่ถ้ามันเกิดสัญญาเราเคยขโมยเงินจากตู้ ATM ตอนนี้ก็เลิกละได้สนิทแล้วแต่มันยังจํามันนี้ได้เรื่องนี้มันก็ระลึกขึ้นมามันขึ้นมารวจรวจอณจิตเป็นได้ จากความจํากับความจริงเนี่ยมันเป็นได้ความจริงที่เป็นกิเลสได้ถ้าหมดกิเลสแล้วก็ยังมีความจําเป็นได้เหมือนกันนะสอยู่เป็นโสดนะที่สีก่ก็ที่สมอยู่เป็นโสดเนี่ยจะถือว่าละเมิดศีลหรือเปล่าอู่เป็นโสดจะละเมิดศีลได้ยังไงเออนี่โสดนี่มันไม่ค่อยเขา้าเข้าทีเรอกนะอยู่เป็นโดนนสด น, สนี่มันยิง่งศีลสูงอะไรมันยิ่งเจรินมัผิดศีลได้ยังไง สีเล่านิทานเรื 6, career, ่องโกหกมันโกหกเปเร่อนิทานเรื慢慢 so. ่องโกหกทำไมมันมีเจตนาเจตนาเล่า kind น of uh, ี้เหมือนกับนิทานเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องที่มันมีประโยชน์คุณค่าถ้าเล่านิทานโกหกทาให้เกิดกิเลสทาให้เกิดมอมเมาทำอะไรเออเล่านิทานแบบนั้นบาปผิดศีลแต่ถ้าเล่านิทานที่จะเป็นเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์ น่เป็นอุบายโกศลอะไรนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปห้าสูตรควันบุหรี่และดมกลิ่นสุราที่ระเหยมาในอากาศโยน่ามันจะไปยังไงผิดศีลหรือเปล่าแล้วคุณจะไม่ต้องดมอากาศคุณจะต้องไปอบดมไอระเหยเอาเถอะเอาเอาเอาเานี่มันไม่ใช่ละเอียดนี่เขาเรียกว่าละเอียดละเอียดเกินไปน่มันเสียเวลาอย่าเป็นละเอียดเกินไปเลย ต่อมาจากปลายฝนหนูเป็นคนจริงจังกับชีวิตเคยเลือกชมรายการทีวีแนวบันเทิงบ้างแล้วเกิดอินไปกับเรื่องราวหนูประทับใจจนน้ำตาไหลออกมาเลยมันเกิดจากอะไรคะดีหรือไม่ดีเา อ, อันนี้ไม่ใช่ของปลายฝนข้อไปของคนที่ชอบชมคลิปยูทู e อันนี้คนนึงมันสองอันอนตาตมาดื่มดูไปว่าเขาไม่ได้ขิดเส้นมาก็เลยดูปวปนกัน คนข้างบนนี่ไม่บอกว่าเป็นใครอ๋อจากคนที่ชอบคลิป YouTube อันนี้บอกว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตดูรายการทีวีแนวบันเทิงบ้างแล้วก็เกิดอินไปกับเรื่องราวรู้ประทับใจจนน้าตาไหลออกมาเลยมันเกิดจากอะไรคดีหรือไม่ดีอา้าวฟังดีๆไอ้เกิดน้ำตาไหลออกมาเนี่ยมันมีสองใน น, น้ำตาไหลเพราะมันสมใจในกิเลสอย่างหนึ่ง สมใจในกิเลสน้ําตาไหลนะอย่างคนโกรธนะโกรธมากจนกระทั่งน้ำตาไหลไหลออกมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของอย่างหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่สัญชาญาเนเด็กนจนกระทั่งคนโตโตเนี่ยโกรธมากน้ําตาไหลร้ลองไห้โดยเฉพาะโกรธแล้วทำอะไรเขาไม่ได้โกรธแล้วทำอะไรเขาไม่ได้ก็ร้องไห้ นั่นก็อย่างหนึ่งนะหรือว่าทาบซึ่งโลกสมโลกได้สมโลกทาบซึ่งสมโลกนะก็ร้องไห้สมโลกนะอย่างนางสาวโลกนางสาวไทยอะไรอย่างนี้พอเขาตัดสินบอกว่าโอ้เลยเป็นนางสาวโอ้โหเลยร้องไห้โหร้องไห้โหนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะสมโลกก็ร้องไห้ สมโกรธตัวร้องไห้อะไรมันไม่สมโกรธไม่ใช่สมโกรธมันไม่สมโกรธแต่จะร้องไห้สมโลภก็ร้องไห้อันนี้คือน้ำตาไหลชนิดที่บาเรลกิเลสส่วนน้ำตาไหลด้วยความทราบซึ้งในเรื่องของคุณธรรมทราบซึ้งในธรรมสัจจะต่อให้เป็นอริยะแล้วก็ยังน้าตาไหลได้ทราบซึ้งในสัจจะ ทราบซึ้งในสัจจที่ลึกซึ้งมากขนาดทุกวันนี้บางทีอาตมายังน้ําตาไหลได้เลยเพอาเป็นเรื่องสัจจะที่โอ้โหมันมันสุดจะทราบซึ้งอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขอเสียหายดีหรือไม่ดีอันนี้ดีแต่อย่าปล่อยให้มันแรงพระพุทธเจ้าจะไม่ส่งเสริมว่าปิติปิติจงกระตั้งเป็นอุเพงคา น้ำหูน้ำตาไหลหรือว่ากระโดโดโลดเต้นเกิดกระตุกแรงอะไรต่างนานาจนตนเต้นจนดีจนทำแรงทำร้ายอะไรออกมาจนทั้งถึงกายกรรมอย่าให้มันเกิดนะมันมันพอให้มันเออเข้าใจแล้วแค่์ภาวนาปิติให้มันสรางไปธรรมดาเพราะงั้นในยติอธิบายเมื่อกี้แล้วว่าถ้าเป็นไปเพื่อบำเรลกิเลสนั้นไม่ดีถ้าเป็นไปเพื่อสิ่งที่ทราบซึ่งในสิ่งที่ประเสริ มันก็ดีแต่ก็ขอปรามว่าให้รู้ก็พยายามนะแต่ที่จริงทุกคนก็โดยสัญญาตยานมันก็ระ ง, งับอยู่บ้างหรอกไม่มีใครอยากจะไปปล่อยให้มันไหลอายเขาอะไรเงี้เพราะว่าคนข้างรอกไม่ค่อยเข้าใจเห็นน้ําตาไหลเรามองไปในทางร้ายหมดไม่ใช่ร้ายเป็นสิ่งประเสริฐแต่สิ่งที่ดีงามอ้าวต่อมาที่บ้านมีพึ่งมาทํารังนี่ของปลายฝน ที่บ้านมีพึ่งมาทำหลังหากเราจะไล่โดยใช้ควันไฟจะบาปไหมคะก็จะถือว่าบาปมันก็ไม่บาปหรอกเพราะว่ามันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันก็เชิญเข้าไปโดยวิธีนั้นควันไฟไม่ได้ไปถึงขันข้นฆ่าควันไฟมันกรบกวนพวาที่เขาออกไปที่อื่นเธอที่นี่ไม่สะดวกนะจ๊ะแค่คายเขบอกเขาที่นี่ไม่สะดวกนะจ๊ะต่างคนต่างอยู่เธอไปหาที่ใหม่นะจ๊ะ ที่นี่บางทีซื้อมานะที่นี่เช่านะที่นี่มาทำที่ในบ้านเงโอ้โหนี่คือค้านี่ซื้อมาละะแล้วก็แพงนะจ้าอะไรอธิบายไปบ้างนะเพราะงั้นก็ถ้าเผื่อว่ามีวิธีที่จะไล่เขาไปอย่างพอสมควรไม่ไม่ได้หรือว่ารุนแรงหรือบาปอะไรล้อกนะก็ต้องทำบางทีจำเป็นต่อมาอธิวิมุตตตรงกับวิมโมกข้อสหรือไม่ อธิวิมุตตตรงกับวิโมกข้อสหรือไม่คําคว่าวิโมกข้อที่สมีบอกว่าสุพันเตวะอธิมุตตโตโหติโหติก็คือการเกิดการเป็นการมีมีลักษณะนี้ขึ้นมีลักษณะของสุพสุพระสุพันเตวะเนี่ยเกิดถึงขั้นสุดท้ายเลยสุพันเตวะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ สุปันเตวะนะเป็นอย่างที่เป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่น่าพึงได้พึงเป็นสุภะเพราะนั้นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมจนเกิดคุณสมบัติทางจิตเรียกว่าอาธิจะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอาธิปัญญาอาธิมุดหรืออธิวิมุติคือจิตมันโน้มไปทางอารยธรรมท่านก็เลยแปลสภาวะอธิมุดเป็นว่าจิตโน้มน้อมไป นมนองไปไห น, นอน่ะนมนองไปสู่ความเจริญอย่างอธิบายแล้วว่าจิตโสดาบันเข้าสู่กระแสแล้วมันก็จะไปสูงไม่ตกต่ําเอาวินิปาตธธรรมมันก็จะขึ้นสูงไม่ลงต่ำํำพอไม่ลงต่ําไปจนกระทั่งแข็งแรงเป็นนิยะตะขัณฑิสีขัณฑิสามของคุณธรรมระดับโสดาที่ท่ัตตร์วิสีขั้นมันก็จะแข็งแรงแน่นอนเที่ยงแท้นิยะตะจากนิยะตะสูงขึ้นไปอีกเป็นเขตสุดปลายมีแต่ะสูงเลยแข็งแรงเลยเท่านี้ไม่ลงต่ําแน่นอน สัมโพธิปราญนานี่เป็นต้นเพราะงั้นลักษณะของจิตโนมอติมุตหรือวิมุตินี่แหละกาลังเจริญเพราะในข้อในข้อสของวิโมกสุพันเตวะอธิมุตโตโหตินี่โหติหมายความว่ามันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นมามันเกิดสภาวะที่เจริญในข้อที่สอธิจิตสิกขาเจริญเพราะฉะนั้นในสุพันเตวะอธิมุตโตโหติ ในข้อนี้เนี่ยถ้าเพือว่าเข้าใจไม่ได้ก็เป็นสุภะดังบางอย่างสุภะที่เป็นอย่างในวิญญาณทิติเจหรือสัตววาเกเนี่ยนะพอจิตเจริญเป็นสภาพเรียกว่าสุปกินนหะถ้ายกตัวอย่างข้อสี่ของ วันวิญญาณที่ติเจนี่ยผู้ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันหมายความว่ากายคือองค์ประชุมของจิตอันนี้หมายถึงความองค์ประชุมของจิตเลยนะกายนี่แหละกายอย่างเดียวกันองค์ประชุมของจิตจิตนั่นเป็นจิตถึง ข, ขั้นนิโรธ้วยถึงขั้นนิโรธเลยสุพันเตวะโอไม่ใช่ ถึงการสุปกินนาหะเช่นเทวดาหรือพระพรหมระดับสุปกสุกินนาหะท่านยกตัวอย่างสภาพสุปกินนาหะเนี่ยมันเป็นภาษาที่เรียกทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเพราะฉะผู้ที่ไม่รู้พรหมระดับสุปกินนาหะก็ไปผู้ไม่รู้ก็คือผู้มิจฉาก็เป็นได้กินนหะ แปลว่าดำแปลว่ามืดก็คือนิโรธะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตต้องการนิโรธสัญญาว่านิโรธสูงกว่าสัญญาว่าแค่ลดนิวรอย่างข้อสองข้อสองฌานหนึ่งเป็นต้นอันนี้ขั้นสุดท้ายเลยสุปกินนาจิตไปทำความดำความมืดได้ มิจฉาทิฏฐิเขาก็ถือว่าสุภาพของเขาเป็นสิ่งที่น่าได้น่าพึงได้พึงเป็นเป็นสุภาพกินนะฮแต่ความดับหรือความดำความมืดความไม่มีในอันนี้ในความหมายของธรรมะของพระเจ้าแล้วเป็นภาษาธรรมก็คือจิตมันดับอันนั้นเขาก็จิตดับแต่อันนี้กิเลสดับของพระเจ้าในกิเลสดับแต่กิเลสดับของพระเจ้ามันไม่ได้ดำอย่างนั้นแต่มันก็หมดมืดไปดับไปเหมือนกัน เพราะสุพกินาหาของสมาธิิในข้อนี้เจตนาจะนิโรธเหมือนกันในวาสัญญาอย่างเดียวกันแต่องค์ประชุมของจิตผู้ได้นิโรธของมิจฉาทิฐิกับของสมาธิินั้นนิโรธเหมือนกันดับดำดับไปเหมือนกันแต่ดับของดับยังไม่รู้เรื่องนะดับยังจิตไม่มีอะไรเกิดเลย เป็นอสัญญาสัตว์เลยจิตไม่ทําอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยไม่มีทำไม่มีบทบาทแล้วแต่จิตไม่มีบทบาทแล้วของมิจฉาทิฐินั้นมันสะกดไว้แล้วชั่วคราวแล้วขึ้นมาใหม่ไม่นิจจังทุวังสัตสตั ง, ตงอวิปนินามมาทำมาสังรังสังข ป, ปังไม่เที่ยงแท้แต่ของพุทธดับแล้วเที่ยงแท้ เพราะฉะนั้นนัยยะอันข้อสีนี่แหละอธิบายยากเพราะมันซ้อนกายที่ได้ดับเหมือนกันสัญญาอย่างเดียวกันนิโรธเหมือนกันดับเหมือนกันแต่ในยะลึกซึ่งมันต่างกันในยะสำคัญมันต่างกันอย่างที่ว่านี่ น, นี่อธิบายยากตรงนี้นะอาสรุปอธิวิมุติกับวิโมกข้อที่สามอธิบายแล้ววิโมกข้อที่สนะว่ามันจิตโนม้มน้อมไป เรียกว่าอธิมุ์ถูกต้องคำว่าสมบูรณ์กับสมบูรณ์กับสมบูรณ์ต่างกันในยะใดไม่ต่างกันเลยโดยภาษาบาลีก็ไม่ต่างกันภาษาไทยก็ไม่ต่างไม่ต่างกันจะเรียกว่าสมบูณ์หรือสมมบู์ก็ได้คำว่าชีวิตรูปกับชีวิ ต, ตินซีเกี่ยวโยงกันอย่างไรคำว่าชีวิตรูปก็รูปชีวิตรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ชีวิตตินซีเป็นสภาวะของชีวิตนะชีวิตตรูปเป็นคํากลางเป็นความมีชีวิตทั้งหมดชีวิตดิลซีเป็นอาการกําลังบทบาทความหนักความเบาความแรงความอะไรของชีวิตความเป็นชีวิตชีวิตตั้วรูปหมายถึงอง์รวมเลยวะนี่คือยังมีรูปของสัตว์มีชีวิตอยู่อย่างนี้นะ พอว่างชีวิตอินรีก็อ่านอินรีของชีวิตเข้าไปชีวิตยังเบาหรือแรงยังมีชีวิตยังโอ้โหดีไม่ใช่ว่ามันจะตายง่ายเนี่ยมันยังแข็งแรงยังเหนียวแน่นยังอะไรได้หรือว่าโอ้ยมันบางเบาแล้วมันอ่อนแรงแล้วมันจะตายแล้วทานั่นแหละต้องรู้ความเป็นชีวิตของสัตว์โดยเฉพาะจากสัตว์นรกก็รู้ชีวิตของสัตว์นรกอินรีของสัตว์นรก เพราะงั้นเนี่ยอัตมาวาจัอธิบายอยู่เนี่ยรูป28จะอธิบายหรืออวต า, ายูถึงขั้นจากหัไทยยูปมาชีวิตตรูปก็จะต้องรู้จักชีวิตินทรีย์หรือแม้แต่ในภาวะรูปสองก็ต้องรู้ชีวิตินทรีย์อินทรีย์ของชีวิตในระดับปีเป็ดอิทธิภาวะชีวิตินทรีย์ในระดับที่เป็นปุริสภาวะก็ว่าจะขยายอย่างลึกซึ้งอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆพื้นฐานของปูไปเรื่อยๆต้องค่อยๆขยายความกันนะ สรุปแล้วชีวิตตรูปกับชีวิตอินทรีย์มีนัยยะสําคัญที่ต่างกันอยู่อันนึงเป็นอาการอีกอันนึงเป็นองค์รวมชีวิตตัรูปนะชีวิตอินทรีย์นี่เป็นอาการแล้วก็เป็นน้ําหนักเป็นนัยยะที่จะต้องบอก้ําหนักเป็นกําลังเป็นอินทรีย์เป็นความเป็นใหญ่เป็นน้อยอะไรเขาจะเลือน้อยเหลือมากก็แล้วแต่นะต่อมาบอกว่าลุงปู่คะปัดมดออกจากตัวผิดศีลไหมคะ นเด็กยญิงหน้าต่างถามมาดีนะเขาสนใจมมีการร่วมาศึกษาตามภาษาเขาแล้วเด็กยิงหน้าต่างยาอยู่อนุบาลไหนแล้วลึกขึ้นปอแลขึ้นปอยังปอปฐมหรือยังปอหนึ่งแล้วเหรอโอโหเก่งเนี่ยมีหน้าเขียนหนังสือมาให้ตุงปูอ่านได้ หลวงปู่ครับปัดมดออกจากตัวผิดศีลไหมคะนะอย่าไปปัดมันแรงปัดมันเบาๆถ้าปิดปัดแรงมันเจ็บต้องระวังผิดศีลนะจะปัดแรงแรงมันเจ็บมันตีมันตีมันตายเลยผิดเลยเข้าใจไหมอย่าไปทํามันแรงๆเบาๆมีเมตตามีใจดีๆเออมดเออค่อยๆอย่ากัดแรงนะค่อยๆปัดมันออกนะมันไม่ปิดเรามันมากัดเรามันก็ไม่ควรนะดี จากผู้เดือดร้อนเรื่องปลวกามาอีกแล้วจะผู้เดือดร้อนเรื่องปลวกผมขอความช่วยเหลือครับท่านใดมีวิธีไล่ปลวกไม่ให้มารบกวนโดยมันไม่ตายช่วยกรุณาโทรมาที่เอออันนี้ประกาศไปอาตมาไม่ถกตอบนี่ให้ช่วยให้อจตมาประกาศผู้เดือดร้อนเรื่องปลวกผมขอความช่วยเหลือครับท่านใดมีวิธีไล่ปลวก ไม่ให้มารบกวนโดยมันไม่ตายกรุณาโทรมาที่เอารีบๆจดผู้ใ ด, ดที่มีวิธีช่วยจดเบอร์โทรศัพท์คุณคนนี้หน่อยแล้วก็จะได้ช่วยคุณคนนี้บ้างเบอร์โทรศัพท์ที่จะช่วยบอกนะว่ามีวิธีอะไรที่จะป้องกันเรื่องปลวกเนี่ย7 8 6ย์เาเอาอีกทีนึง089 6578 6 3สา่อ้าวช่วยช่วยเหลือกันผู้ที่มีความรู้อาตมาก็ค่อนข้างจะจนปัญญาเหมือนกันเรื่อ ง, ง พ, วออพวกนี้บวกเบิกอะไรพวกนี้แต่พวกเราก็ช่วยกันไปอาตมาไม่ต้องไปช่วยคิดหรอกเพราะว่าเรื่องนี้มีผู้ช่วยคิดอาตมาไม่ช่วยปาดไปอาตมาเลยจะความรับผิดชอบไปมากแล้วเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> มาแต่ถ้าฆ่ากิเลสไม่บาปอาตมาเลยมาช่วยกันพาหาทางฆ่ากิเลส อาตมากลับกันทางนี้ช่วยหาทางไม่ช่วยไม่ให้ฆ่ากันแต่อาตมานี่ขอพรยพุทธมันจะแรงเนาะช่วยให้ทางให้ฆ่ากันแต่ฆ่ากิเลสนะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์อื่นใดอาจากสิงบุรีค่ะสีที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ใช้เป็นจีวรมีสีใดบ้างข้เอาเดี๋ยวตัวทางโนนเอาเลยขึ้นมาให้อ่านเลยสีอะไรบ้างน้าอาตมาก็จําไม่ค่อยแม่นเท่าไรเรียงไม่ค่อย ครบไม่ก็ถูกเท่าไหร่สีเจ็ดสีในจำได้แต่ว่าอยู่ในพัจจิณฑรเล่มห้าอยู่ในพัจจิณฑรเล่มห้าข้ออะไรนี่ข้อถ้าบอกว่ายังไงอินเสิร์ตไปให้ทางบ้านได้ดูเลยสีจีวรที่ใช้เป็นจีวรไม่ได้มีเจสีด้วยกันทุกวันนี้ใช้สีส้มถูกไหมคะจําได้สีส้มก็ใช้ไม่ได้นะสีเหลืองก็ใช้ไม่ได้สีส้มก็ใช้ไม่ได้สีแสดก็ใช้ไม่ได้สีบานเย็นก็ใช้ไม่ได้สีครามอ่าสีครามหนึ่ง สสีเหลือง 3. สีแดง 4. สีบานเย็น 5. สีดำล้วน 6. สีแสด 7. สีชมพูเห็นไหมนี่สีนี่พระบติไปร้อยม้าข้อ169สสีเจ็ดสีนี้จีวรสี7สีนี้เป็นสีที่ต้องห้ามเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้อาตมาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสีจีวรกันไปเป็นสีที่ถูกต้องกันเยอะคือไม่เป็นสีแดงสี แล้วเขาไปเน้นเลยว่าต้องสีล้วนมันไม่ล้วนหรอกมันปนๆกันสีแดงกับสีเหลืองเขาว่าไงนะมันไม่ใช่สีเหลืองแล้วก็ไม่ใช่สีแดงปนกันนั่นแหละสีแสดหรือสีส้มนั่นแหละนะปนกันนั่นแหละสีแดงมันต้องออกเทดไหนก็สีแดงสีแสดแต่แหละแดงกับเหลืองอ่ะนะมันจะไปทางเลี่ยงบาลีเลยนะสรุปแล้วก็คือสีมันฉูดฉาดมันเป็นสีโลกโลอ่ะเพราะงั้นอย่าไปใส่มันแสบหูแสบตาเลยพวกนี้เลยมันจวนปล่อยให้พวกที่เขา ยังกิเลสเลอะเทอะกันก็ปล่อยกันไปเถอะนะอาพูดไปแล้วมันก็เมืออไปว่าเขาเนาะแต่จริงจริงมันก็ผิดเพี้ยนกันมาได้ถึงไกลปานนี้แหละนะอยู่ในวินัยแท้ๆเลยนี่ไม่ต้องไปอธิบายอะไรยากบอกว่าเนี่ยสีห้ามเจสีนี่ห้ามอะไรอย่างนี้เป็นต้นจากเพชรบูรณ์ครับอาชีพอาชีพผมกระสิกรครับทาไส่เดือนบาทเจบาดหครับโอ้มาเยอะเนะาะทำส่เดือนบาทเจ็บไหม อ่ามันก็นั่นแหละพวกเราต้งพยายามทสวนทำไร่กันไม่พยายามขุด น, นะพยายามที่จะทำดินให้ดีไส้เดือนดีก็ช่วยกันอยู่ด้วยกันไปเลยช่วยปรวนดินให้อย่างดีหรือว่าสัตว์อื่นๆเยอะในดินนี่มันจะช่วยดินเราเยอะสัตว์ต่างๆนานะนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสร้างดินปรุงดินให้ดีดินชีวิตก็คือมันจะมีพลังงานของพวกนี้ผสมผสานอยู่นะ เป็นกาโย ο, เป็นองค์ประชุมของชีวิตสัตว์กับชีวิตของดินเป็นดินเป็นเป็นดินชีวิตที่ดีนะเป็นดินที่จะเกิดอาหารพึ่งพากันนะเพราะงั้นเราก็พยายามศึกษาดีๆว่าทำเกสิ ก, กรรมโดยวิธีที่จะต้องสร้างดินให้ดีๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปต้องขุดอะไรมากมายเลยนี่จริงเลยนะนะเอาน้ำรถฟูขึ้นมาเพราะนั้นก็ทําได้แล้วนะ อาอีกอันหนึง่งมีอันสุดท้ายแล้วยังไม่มีมาอีกอาจจะเป็นอันสุดท้ายาจากยะโสธรวัดที่บ้านมีพระสองรูปวัดที่บ้านมีพระสองรูปเองนะรูปหนึ่งมีพฤติกรรมคล้ายเนนคําโอ้เลือกดีๆทั้งนั้นอีกรูปหนึ่งบวชใหม่ได้สองเดือนออกจาก ค, คล้ายๆผู้หญิงอ โยมอยากทาบุญกับพระดีๆพูดเพราะประพฤติดีปฏิบัติชอบจะทําใจยังไงไม่ให้ทุกข์กับความเคร่งเกินไปของตัวเองคะแม่คุณจะไม่อยากจะทําบุญกับไม่อยากจะทาอะไรดีไม่ทําดีกับพระที่คุณเห็นว่ามันไม่ชวมาพาคนมันไม่ได้ไปเคร่งเครงอะไรหรอกมันธรรมดาถูกแล้วทุกคนควรจะเป็นอย่างนี้ไมไ่ถือเป็นเคร่งเค ร, ง, เครงอะไรเลย นะพระที่ไม่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบอะไรนี่เราก็เห็นอยู่หลัดหอยู่ตรงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปถือว่าเราเคร่งเครืองอะไรก็เราก็ไม่ต้องไปร่วมส่งเสริมเป็น่วมเลี้ยงดูไว้เป็นร่วงตาอะไรไว้ไม่ต้องกลัวเราว่าโอ้ไม่เลี้ยงดูไม่ส่งเสริมไม่ให้พระอยู่ได้ศาสนาก็เสื่อมสิขออภัยทต่พูดตรงๆมันไม่ใช่พระเราจะไปส่งเสริมทําไมล่ะมันเป็นคนทําให้ศาสนาให้พระทําภัยศาสนาเสื่อมเราจะไปส่งเสริมไม่อยู่ทำไม ซึ้ง ก, ก็มาได้กับตัวเองก็ไม่บาปนะแล้วก็ไม่ทําลายศาสนาด้วยถ้าทําลายศาสนาอยู่มันก็เสื่อมนะตัวเองก็บาปบาปหนักบาปหนาเดี๋ยวนี้จะว่ากันแล้วเนี่ยขออภัยนะนะต้องขอไปทุกทีเรือเกรงใจเกรงใจเพราะว่าทุกยุคนี้มันพูดไปแล้วมันกระทบอะเพราะมันแหน่พูดไปนี่มันเหมือนกันดอกไล่ลูกระนาดขออภัยหัวโลดไปทั้งด้านเลยขออภัยต้องพูดสับง่ายๆ มันเหมือนไปว่าลูกละนาดก็เป็นกันอยู่ทั้งนั้นเลยอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมของพระพุทธเจ้าผิดบัญญัติคําสอนนี่นะผิดแบบผิดอย่างเนี่ยมีหมดจะแล้วในระศาสนาพุทธอาตมาเลยบอกมันยากมากเลยพู ด, พ, ดพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่กระทบผู้ที่เขาผิดในศีลในธรรมของพุทธศาสนาเป็นความลําบากมากเลยอาตมามาทํางานชาตินี้ปางนี้อย่างจริง พูดไปแล้วหน้าลำคาญตนเองเดี๋ยว่าขออภยัยเดี๋ยวก็เกรงใจขอภขอภยัยขออภัยอยู่นั่นแหละแต่เกรงใจจริงๆเพราะพูดไปแล้วมันกระทบอย่างที่ว่าเนี่ยแต่อาตมาสุดเลี่ยงมันเลี่ยงไม่ไหวมันเลี่ยงไม่ได้นะพูดอะไรมันก็ดูจะผิดไปหมดเพราะอาตมาก็เกรงใจเกรงใจเพราะว่ามันก็เข้าใจอะว่ามันจนนํานวนมันไม่มีทางเลี่ยงอะไรอื่นนะอาตมาก็ไม่รู้จะทําไงนะ ก็ได้แต่พยายามภาคเพียรจะไม่ให้ตำหนิก็ไม่ได้ก็จำเป็นต้องตำหนิกันอยู่ต้องขออภัยจริงๆยังไงไงก็ทนเอาหน่อยเถอะก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองกันลวกันถ้าท่านใดก็แล้วแต่ที่ปฏิเตมปฏิดีปฏิบัติชอบอยู่อัตมาคอนุโมทนาศาธุกนก็ถือว่าผู้สืบสารสาศาสนาเป็ผู้ที่ช่วยอยู่อยู่ในศีลในธรรมแต่ผูดด้ใดที่ท่านเองท่านผิดทพระทผิดศีลผิดธรรมละเมิดแล้วก็ทาให้มัน มึอก็ทำให้มันเสือมให้คนอื่นให้คนเข้าใจผิดแม้แต่พุทธศา ส, สนิกชนก็เข้าใจผิดเห็นผิดเป็นถูกท่านปฏิบัติผิดแต่ก็ให้เขาถูกให้เขาเข้าใจว่าถูกขออภัยพูดยกตัวอย่างเช่นว่ารถน้ำมนน้ำมันกันอยู่มันผิดนะมันผิดนะเป็นเดรัจฉานวิชาในมัจจิมศีมหาศีนี่ชัดชัดตรัตไว้ชัด มีชัดศีลเนี่ยแม้จะเป็นจุลศีลมันจะเป็นศีลมหาศีลเป็นศีลของพระแท้แท้ศีลที่เริ่มต้นสร้างศาสนาส่วนวินัยเนี่ยมันมันข้อผิดเป็นหลักเกณฑ์เรียกว่าวินัยเป็นอาญาเป็นศีลอาทยาศีลที่มีโทษลงโทษเหมือนกฎหมายอาญาเนี่ยแต่ศีลเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักประพฤติเป็นหลักสร้างเป็นคุณธรรมเป็นธรรมนูญหลักเลย หลายข้อหลายอย่างมันไม่มีข้อลงโทษไม่มีข้อผิดไม่ใช่ไม่ก็ผิดก็ไม่ได้เหมือนกันผิดสําคัญด้วยแต่ไม่มีข้อลงโทษไม่ใช่กฎหมายอาญาอาวินัย น, นี่เป็นกฎหมายอาญานี่เป็นต้นมันต่างกันนะพราะจะบอกว่าศีลจุลศีลม่ใชิมศีลไม่ใช่ของพระต้องปฏิบัตินี่แหละความเสื่อมนี่แหละคือความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า พระเข้าใจแล้วปฏิบัติมาให้ละเมิดจุลศีลมชิมศีมหาศีลส่วนใหญ่รักษากันไว้เลยนะโอ้โหศาสนาพูดจะไม่บาบาบอยอย่างนี้เลยขออภัยพูดภาษาชัดจริงจะไม่บ้าบาบอๆอย่างทุกวันนี้เลยขออภัยต้องพูดภาษาชัดชัดอย่างนี้มันเละเทะจริงๆเลยแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยมันเป็น วัตถุอนามาตเป็นสิ่งที่พระทิจ้าไม่ควรจะต้องไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ต้องไปเอามาบูชาไม่ต้องมาเอาเคารพไม่ต้องมาสืบสารไม่ต้องมาทําอะไรได้ศีลห้าโอ้ศีลแปดมาลากอนดอกไม้แท้ๆก็ให้ละเว้นเว้นขาดก็แค่ปฏิบัติศีลแปศีลพระที่ไหนโอวาทปาติโมกศีลที่ไหนมาลาการทวิเลปณะนะ ต่างๆดอกไม้ของหอมเป็นสิ่งที่ต้องเว้นต้องละต้องเป็นปัตตุอนามานี่เอามาเล่นมาอะไรกันทูบเทียนก็มีอยู่ในเดาชานวิชาอยู่ในเดาชากถาอยู่ในในมัจจิมศีลมหาศีลอยู่ชัดๆไม่ใช่ทูบไม่ใช่เทียนไม่รู้ลดน้ำมูกน้ำมนตและมีวัดไหนมั่งไม่ใช่ทูบไม่ใช่เทียนไม่ใช่ดอกไม้บูชาไม่ใช้น้ำมูงน้ำมนตอะไรต่างๆที่ไหนอะอย่างนี้เป็นต้น พ ะ, ะน้องบอกว่ามันยากอัตมาพูดธรรมพระพุทธเจ้าแล้วยากจริงๆเลยก็ต้องขออาภัยจริงๆนะอ้าวอันสุดท้ายเด็กยิงหน้าต่างมาสุดท้ายนะเรียกว่ามาเติมท้ายจบเวลาก็จะหมดพอดีหลวงปู่คะทำไมมดถึงกลัวน้ำคะรู้ได้ไงว่ามดกลัวน้ำนะอ่านะ บางทีมันก็ลงไปไหว้ในน้ําอยู่จมจ้ำจจ้ำอยู่เลยมดเออแต่ดีนะเข้าใจมดกลัวน้ำมันคงไม่อยากจะลงไปในน้ําหรอกจะมันตกน้ำหรือน้าไปทําให้มันจมก็อยู่ในน้ามันคงไม่อยากจะลงน้าหรอกมดนะนะทำไมมดกลัวน้ํามันไม่ใช่ที่เขาอยู่ของมันน้มดมันไม่น้าไม่ใช่ที่อยู่ของมันน้ํำนะมันที่อยู่ของปลานะน้ำไม่ใช่ที่อยู่ของมดนะมดมันสัตว์บก ไม่ใช่สัตว์น้ำนะเพราะสัตว์บกก็อย่างหนึ่งสัตว์น้ําก็อย่างหนึ่งนะมันก็มีประเภทของมันนะนี่เป็นเรื่องของสัตว์โลกนะถามว่าทำไมถึงกลัวน้ําก็ไม่ใช่ที่อยู่เพราะมันไม่อยู่ทําไมละมันก็ไม่อยากอยู่ๆก็ลาบากมันต้องว่ายน้ำต้มแต้มเร็วมันทำลำบากมันหากินก็ยากเพราะมันไม่ใช่สัตว์หากินในน้ําสัตว์บางอย่างมันลงไปหากินในน้ําก็แล้วไป แต่มดมันคงไม่อยากจะไปหากินในน้ำเรามันลำบากนะเอ า, อาถามมาก็ตอบไปนะเอาละสาหรับวันนี้อาตมาก็ใช้เวล า, า20นาฬกา19นาทีเลยก็ไปหนึ่งนาทีก็ขอาภาอภัยสาหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้จเจริญธรรมทุกคน ที่จริงก็ดีนะปะนัญหาอย่างเด็กยิงหน้าต่างถามมาเนี่ยก็ค้นคลายดี